อาจารย์ครับข่าวน้มันสกาดครับผมเเอจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เสียงอาจจะแหบทั้งหน่อยครับผมพระอาจารย์เมตตามากเลยครับท่านยังไหวนะครับครับไหวพ้อมได้ครับผมอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีคนบิดไปใส่บาตอีกค น, นนะครับผมตอนเช้านี้ก็สี่ร้อยยี่สิบแล้วคนทางบ้านเนี่ ก, ก็ประมาณร้อยแปดสิบอ๋อ หกร้อยหกร้อยคนหกร้อยคนั น, นี้สี่ร้อยยี่สิบกร้อยแปิบครับก็ว่ามันเด็กนัดสครั บ, รบส่วนหนึ่งก็คงยาะเป็นเป็นแฟนขับของคุณหมอนี่น้ำมันที่ติดตาแฟ <c oughs> <c oughs> นเป็นแฟนลับของผมและต้องเป็นแฟนขับพระอาจารย์ด้วยนะครับตอนตาแบบั้ครับพระอาจารย์ครั บ, ราารรบวันนี้จัดรายการครั้งที่ร้อยสี่สิบสองนะครับผมวันนี้ขอโอกาสอาพระอาจารย์ พูดเรื่องแก้กรรมเรื่องกรรมให้พวกเราได้มีปัญญากระจ่างมากขึ้นครับกับความเมตตาพระอาจารย์ครับคือกรรมที่เราทําไปแล้วในอดีตเราไปแก้มันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปมันก็จะต้องส่งผลไม่ช้าก็เร็วแต่เราก็สามารถที่จะทําให้บาปกรรมที่เราทํานี้ชะลอการส่งผลได้ถ้าเราทําบุญให้มากกว่าบาปที่เราได้สะสมไว้ คือถ้าบุญนี้กําลังมากกว่าบุญก็จะเป็นผู้ที่จะคอยให้ให้ให้ผลก่อนอย่างองค์ุลิมานนี้ก็ฆ่าคนถึงเก้าร้อยสิคนแต่พอได้พบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าให้มาฆ่ากิเลสแทนพอฆ่ากิเลสก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้บุญขั้นสูงสุดก็เลยบาปนี้เลยไม่สามารถที่จะส่งผลให้กับองคุลิมาได้ ทำหน้านจิตใจหมายถึงถ้าองค์คุริมาณตายไปองค์คุริมาณก็จะไม่กลับมาเกิดนะนั่นจะไม่ไปเกิดในอบายแต่ผลที่ยังค้างค้างอยู่ในขันนี่ในร่างกายนี้มันยังรับผลอยู่เช่นไปตามหมู่บ้านที่เขาจําได้ว่าเป็นอาชญากร น, นี่เขาก็ไล่ฟันไล่ฆ่าไล่ น, นี่ก็เป็นสิ่งที่แม้แต่พระอรหันต์ก็หลีกไปได้ เห็นพระโมการานะท่านก็ต้องดูเขาข่าตายครัแต่ทำได้แค่เพียงแต่ทางด้านขันคือรู ป, ปรขันแต่ทางจิตใจนี้จิตใจบาปที่ทำให้ไม่มีอิทธิพลที่จะดึงจิตใจให้กลับไปเกิดในอบายหรือในเกิดในในพบต่างๆแล้วเพราะว่าเกิดปัญญาที่สามารถที่จะยับยัง การไปเกิดได้ก็ <c oughs> เลยไม่ต้องเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปรับผลกรรมถ้าสมมติว่าธโมคลิมาไม่ได้เจรพระพุทธเจ้าแล้วตายไปเนี่ยก็ยังไม่ได้บรรลุอรอยิยมรรคผลนี่ก็ต้องไปใช้กรรมต้องไปเกิดในในนรกอย่างแน่นอนต้องไปอยู่ในนรกหลายหลายปีด้วยกันหลายเพราะทําคนต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน แต่ถ้าได้ไปขั้นอริยามรรคอริยผลขั้นที่หนึ่งคือภาโสดาบันนี้ก็ปิดประตูบายได้อริยบุคคลทุกองมีความสามารถมีปัญญาที่จะยับยั้งความอยากที่จะดึงให้ไปติดในอบายไดเพราะฉะนั้นสิ่งเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าเราสำนึกผิดว่าเราทำบาปมันไม่ดีก็พยายามเลี่ยงอย่าไปทำซ้ำอีก แล้วก็พยายามทาบุญเพื่อที่จะได้สร้างกําลังของบุญให้มีให้มากขึ้นไปตามลําดับถ้าเกิดเราตายไปบุญก็จะสง่งเราไปตามกําลังของบุญของเราถ้าบุญระดับเทพก็จะให้เราไปเกิดเป็นเทพถ้าเราบุญระดับพรมถ้าเราเข้าสมาธิได้เราก็จะไปสู่ระดับรูปประรมหรืออรูปประพง ถ้าเราได้ระดับอริยามรรคอริยผลโลกุตละมรรคโลกุตละผลเราก็จะได้ไปสู่ระดับของพระโสดาบันพระสกิดาคาพระนาคามีพระตามลำดับต่อไปยังไม่สิ้นหวังสำหรับท่านที่เคยทำบาปมาเยอะอยังสามาทถที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้แล้วก็รีบทำบุญให้มากๆทำทานรักษาศีลภาวนาทานก็จะได้ระดับเทพ ศีลศีลถ้าศีลแปดแล้วก็นั่งสมาธิก็จะได้ระดับพรหมถ้าเจริญวิปัสสนาเห็นตายลักเห็นอริยสัจสี่ก็จะสามารถไปสู่ระดับของอริยได้พระอริยะได้ถ้าถึงอริยพระอริยแล้วก็ไม่ไม่มีวันที่จะต้องกลับไปเกิดในอบายต่อไปแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ถ้ากลับมาหรือว่าตอนนี้สร้างบุญไปถึงระดับ รูปประภมเรือรูปประภมแต่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่แล้วถ้ากลับมาเกิดแล้วถ้าประมาทไม่ไม่มาทำต่อไปลหลงไหลกับเรื่องอย่างอื่นกลับมาทำบาปทำกรรมอีกเดี๋ยวบาปที่เราเคยทำไว้มันก็จะมีมากกว่าบุญที่เราทำมันก็จะดึงเราไปเกิดในอบายได้ต่อไปยังไม่หมดนะต้องเป็นพระอริยบุคคลนะถึงจะพ้นอบายได้ พระโสดาบันก็ยังติดอยู่ในกามาพบอยู่ไม่เกินเจ็ดชาติพระสกิดาคามีก็หนึ่งชาติส่วนพระานาคามีนี้ไม่ติดในกามาพบละเพราะละกามตัญหาได้หมดมก็จะไปติดอยู่ที่ชั้นสวรรค์ชั้นรูปประพมที่มีมีอยู่ห้าชั้นสําหรับพระานาคามีแล้วก็จะปฏิบัติธรรมในในขณะที่อยู่ชั้นเหล่านั้นแล้วก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ตามลําดับ เคยอ่านพาลิกิตขององค์สเสด็จอ่าพระสังฆราชพญานาซังบอนนะครับพระอาจารย์ที่ท่านบอกว่ากรรมดีกับกรรมชั่วเหมือนรถที่แข่งกันอยู่ถ้ใครรถไรมีแรงมากกว่ารถนั้นก็ชนะนําไปแล้วเราก็ทําเป็นอก็เหมือนที่เราเปรียบเทียบเกวียนที่มีมีวัวสองตัวดึงกันคนละคนละข้างคนละด้านเตัวหนึ่งดึงไปด้านหน้าตัวหนึ่งดึงดึงไปด้านหลังนี่ตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางด้านของตัวนั้นอ ก็เหมือนชักกระเยาะกันเนี่ยบุญกับบาปก็เหมือนชักกระเยอะกันช่วงที่บุญกับบาปมีกําลังเท่ากันก็ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอาบาลไม่ได้ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ครับบุญกับบาปยังไม่หมดแต่มันไม่มีมันกับบุญกับบาปมันมีกําลังเท่าเท่ากันมันก็เลยไปสวรรค์ไม่ได้ไปอาบายไม่ได้มันก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่ที่เราพอมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าเราจะมาทําบุญหรือมาจะทําบาปเลยของพระอาจารย์หลุดไป เดี๋ยวรอพระอาจารย์ครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมไม่ทราบเป็นของเป็นของเราหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ซูมของเรามักจะหายไปสองสามวีแล้วกลับมาใหม่หลายครั้งครับผมไม่เป็นไรครับอาจารย์เดี๋ยวเรารอได้เลยครับอาจารย์ครับอืมก็แสดงว่ามีความหวังทุกคนนะครับพระอาจารย์ถ้าทำไม่ดีไม่มีความหวังทุกคนนะครับ ขณะองค์ก็รีมาทำบาปฆ่าคนต้องเก้าร้อยจุดเ้าคนก็ยังเกลับตัวกลับใจพลิกกําลังของบาปให้มันน้อยกว่ากาลังของบุญแต่ต้องปฏิบัติระดับอริยามรรคอริยาผลเลยขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆนะครับจากคุณไรโคพีนครับบอกว่าการคิดทางปัญญาหลังออกจากสมาธิควรทําวันละกี่รอบ ยิ่งมากยิ่งดีเหรอครับอาจารย์คือเป้าหมายก็คือให้มันฝังในใจเราตลอดเวลาเห็นตายรักตลอดเวลาเห็นนิรยสัตว์สี่ตลอดเวลาเวลาเกิดความอยากพ บ, บเห็นะถูกเกิดขึ้นแล้วเวลาเกิดการมาตัญหาเกิดแล้วความทุกข์เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ถ้านจะแก้ก็ต้องให้มันก็ต้องเห็นสิ่งที่เราไปไปอยากว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงหรือถ้าเป็นร่างกายของคนก็ดูตอนที่มันตาย เวลาเป็นมันก็ดูสวยงามแต่พอมันตายมันก็กลายเป็นซากศพนี้มันต้องเห็นแบบแบบทันทีทันใดฝังอยู่ในใจเราตลอดเวลาเพราะกิเลสมันจะโผล่มาเมื่อไหร่เราไม่รู้มันถึงยากตรงเนี้ยคือมันยากที่ตรงต้องพิจารณาจนกระทั่งมันเห็นตลอดเวลาพอการมาลาค้าขึ้นมาปั๊บก็อสุภาษก็ขึ้นมาทันที ากลัวตายอันนี้จังก็โผล่ขึ้นมาทันทีร่างกายเป็นของไม่เทีย่ยงกลัวเจ็บก็อนัตตาโผล่ขึ้นมาทันทีว่าเวทนานเป็นอนัตตาเราไปห้ามไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าไปอยากเราก็จะทำให้ทุกข์อันนี้มันต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วยังไม่พอพอพิจารณาจะนั่งเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมั่นใจแล้วก็ลองไปพิสูจน์ดู ไปขึ้นเวทีหรือไปทำข้อสอบไปหาที่มันน่ากลัวที่อาจจะมีภัยต่อต่อร่างกายเอดูทีว่าจะหยุดดับความกลัวได้ไหมเวลาเกิดมีความรู้สึกว่าจะมีอะไรมีภัยเข้ามากระทบส่วนความเจ็บก็ต้องนั่งให้มันจะทั้งเจ็บแล้วไม่ลุกไม่ขยับไว้ให้มันเกิดมันดับไปเพราะมันเป็นอนัตตาถ้าเราผ่านได้เราก็ผ่านขั้นโสดาบันได จากคุณไรคพีมครับบอกว่าที่ก่อนมีคนถามประมาณขอทางลัดสู่พระโสดาบานันอาจารย์บอกให้เขานั่งสมาธิแปดชั่วโมงอาจารย์ไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมครับผมนั่งแปดชั่วโมงรอบเดียวหรือว่านั่งรวมกันทั้งวันให้ได้แปดชั่วโมงครับเดินนั่งจนกว่าจิตมันจะรวมเป็นโอเบคโอเบขาเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็พยายามนั่งบ่อยๆหลายๆรอบให้มันเข้าไปสมาธิให้มันจิตมีกําลังของโอเบคขาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งนั่งมากยิ่งเข้าสมาธิได้มากเวลาออกจากสมาธิมาโอเบคามันก็จะตกค้างอยู่ในใจได้นานขึ้นช่วงนั้นเราก็สามารถใช้อเบคานี้มาสู้กับความอยากได้เป็นพ่อนามยปัญญาได้คารวรทมทุ ด, ดงควัดข้อไหนได้บ้างครับอาจารย์ช่วยแนะนําครับขอห้าข้อครับข้อแรกก็กินมื้อเดียว ยินดีตามมีตามเกิดพาไปบินนบาทแล้วแต่โยมจะใส่บาทมาให้ก็ปล่อยให้แม่บ้านเขาทํากับข้าวให้เรากินไม่ต้องไปสั่งว่าอยากจะกินอาหารอย่างนั้นอยากจะกินอาหารอย่างนี้หรือถ้าไปร้านอาหารก็สั่งเด็ก็ว่าจัดมาก็ได้จัดอะไรมากินก็ได้ลองทั้งสองอย่างอันนี้ก็เป็นแบบว่ายินดีตามมีตามเกิดเรื่องเรื่องการรับประทานอาหารเออแล้วกินครั้งเดียวแล้วถ้าอยากจะกินแบบอ่ สันโดษมากน้อยก็ใช้ภาชนะเดียวขอก็ําลังสบายอยากที่ร้านอยแล้วได้อาหารมาก็เทลงไปในภาชนะเดียวกัน <S <S 1> <S 1> ก็การกินภาชนะเดียวกันก็มีสามระดับนะระดับระดับแรกก็คือให้แยกเป็นส่วนๆไปข้าวไว้มุมหนึ่งกับข้าวไว้มุมหนึ่งของหวานไว้มุมหนึ่งระดับที่สองก็คือไม่แยกใส่เข้าไปมันจะปนกันตรงไหนก็ไม่เป็นไร แล้วระดับที่สามก็คลุกเหมือนเหมือนกับเราคลุกข้าวให้สุนกินนนะคือการฉันในบาตรเพื่อลดกิเลสตัณหาความยุ่งยี่งจุกจิกเกี่ยวแล้เรื่องลดลดเสียงกิเลสของอาหารเพรามันกินเข้าไปแล้วมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันก็คือทําให้ใจเราทำให้ร่างกายเราอิ่มดับความหิวได้ทั้งนี้เราไม่ต้องกินเพื่อความสุขทางกิเลสทางใจเพราะมันจะติด แล้วมันต้องกินแบบนั้นอยู่ได้่อยๆเพราะไม่ได้กินแบบที่ถูกใจกิเลสมันก็จะทุกข์ขึ้นมา น, นี่ก็สามข้อเลยนะเรืร่องของกินอาหารเอกินตามีตามเกิดก็ไม่ต้องไปสั่งว่าจะกินนั้นนี่กินนี่นี่ให้คนหนุ่มเขาจัดการให้เอทําแม่บ้านก็แม่บ้านทําอะไรมากินก็กินไปถ้าไปร้านก็ถ้าเราไปคนเดียวก็บอ ก, กในใครจัดอาหารมาสักสองสามอย่าง แล้วถ้าอยากจะกินในภาชนะเดียวก็ขอขอชามใบใหญ่ๆสักใบหนึ่งแล้วใส่ไปสามระดั บ, บจะระดับง่ายขึ้นไปสู่ระดับยา ก, กะและต้องทดสอบดูกำลังของทำว่าเราจะเอาชนะกิเลสได้ไหรือไม่แล้วก็สามข้อแล้วทุงนงนะครับแล้วทุนงข้ออ่ข้ออยู่ อยู่ง่ายๆก็คือให้ไปอยู่ปิดวิเวกวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่เรามีวันหยุดเนี่ยไปอยู่วัดไปอยู่ที่ที่เขาจัดให้เราอยู่ในในป่าในเขาอย่างบนเขาที่คุณหมอมาเนี่ก็เนี๋ยบไปอยู่ทุ่ตรงแบบนั้นอยู่ในป่าเขาเรียกทุ่ตรงอยู่ในป่าเป็นวัดแล้วอยู่ตัดใต้โคนไม้เป็นวัดอันนี้สองข้ออยู่ในป่าก็อยู่ในอยู่โคนไม้แล้วก็ ถ้าอยากจะในสัตชิกก็สามารถถือได้เป็นช่วงๆไปอาจจะวันนี้ไม่นอนจะภาวนาจะอยู่ในสามิริยาบทเดินยืนกันนั่งถ้าจะหลับให้มันหลับอยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนอย่างนี้มันจะได้หลับไม่มากมันจะได้มีเวลามาบำเพ็ญความเพียรได้มากขึ้นอันนี้เรียกว่าในสัตชิกในสัตชิกเราสามารถกาหนดได้ว่าเราจะ ทำกี่วันกี่คืนยิงแล้วแต่เราจะถ้าถูกเจริตกับเรามางคนเขาก็ใช้ใช้ในสัตจริงหรือไปอยู่ในป่าช้าก็ได้ไปภาวนาไปอยู่ในป่าช้ารู้สึกอันนี้ก็เป็นทุ้ดงนึ่ข้อเอันนี้ก็ได้หลายข้อแล้วนะครับพอาจารย์ครับเรื่องภาชนะเดียวนี้ช้อนก็ต้องนับใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าภาชนะเดียวก็ไม่ใช่ฉันจะมีบาทอย่างเดียวช้อนไม่ใช่ ที่ว่าหลตาเนี่ยท่านไม่ใช่ช้อนท่านก็ใช้มือกินถ้าอยากจะเดิมแกงจืดก็ใส่เทใส่ถ้วยไปยากหน่อยถ้าแต่ถ้าเข่งเค่งก็ไม่ไม่ยากายมันเข้าไปในในบาตทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านผ่านการฝึกมาแล้วท่านก็ท่านให้ก็อย่าแยกลูกศิษย์ก็อาจจะตัดพวกนั้นแกงอะไรนะแกงจืดแล้วใส่แก้วไว้ให้ท่านตดเลมแต่ท่านก็ยังฉันมือเดียวท่านก็ยังฉันด้วยมืออยู่ถ้าไม่ใช่ช้อน หลวงตาท่านบอกว่าเวลาไปบวชไม่ไม่มีไม่มีพระอุปชาถามว่ามีช้อนไหมมีจานยไหมถามว่ามีบาตหรือเปล่าบัตรตังอา마คันเจเนี่ยมีบาตรมีภาชนะเนั่ะให้อยู่แบบเรียบง่ายไม่วุ่นวายพอพระปฏิบัติสมัยก่อนจะไม่อยู่กับที่นานหลังจากได้ศึกษามีสมะมีหลักใจแล้วก็จะขออนุญาตไปปีกวิเวกไปอยู่ตามที่เพื่อจะไปทําข้อสอบต่างๆตอบไป อาจารย์ครับพรสมัยก่อนเวลาทุดองไปเรื่อยๆนี่ท่านอยู่แต่ละที่นานไหมครับเป็นอาทิตย์หรือเดือนแล้วแต่ละท่านเพราะว่าบางทีท่านดูว่ามันสัทธายากหรอยอไมถ้าอยู่แล้วการภาวนาของท่านก้าวหน้าดีท่านก็จะอยู่นานหน่อยถ้าอยู่แล้วมีศรัทธายาโยามารบกวนชาวบ้านอาจจะมาขอเลขขอเบอร์บางทีท่านก็จะหนีหรือว่าท่านถ้าท่านต้องการที่จะไปทดสอบความกลัว ถ้าท่านไปอยู่ที่ไหนสักป้าพ า, ามันชินแล้วมันไม่กลัวแล้วท่านก็จะย้ายไปหาที่ใหม่ที่ที่มันมีความกลัวแล้วก็กานที่ใหม่ที่มีความกลัวมันจะทําให้เราได้มีสติมากขึ้นด้วยต้องมีความระมัดระวังไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอบตัวเราเพราะเราไม่ได้อยู่พเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆมันก็จะทําให้เรามีสติสตัณฐดีขึ้นงั้นก็ต้องอยู่ก็อยู่กับแต่ละองค์ว่าท่านมีเป้าหมายอยู่ที่ตรงไหน จากคุณดำครับตั้งแต่ศึกษาธรรมะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายทั้งโลกเพื่อนชวนไปเลี้ยงรุ่นมีการดื่มเหล้าเต้นรทำทําเพลงการจิตผมรู้สึกว่าเสียเวลาและผิดศีลที่อาจไปดื่มเหล้าจึงตัดสินใจไม่ไปทําอย่างนี้สุดตรงเกินไปหรือไม่ครับอย่างเราถ้าสุดตรงก็ไปบวชเลยนี่สุดตรงกว่าตอนนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นนั้นเองขนาดไปบวชก็ไม่ถือว่าสุดตรงมันก็เป็นมัชชิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลาง เป็นทางที่ดับความทุกข์ที่ถูกต้องที่พระเจ้าทรงสอนให้ดับกันขณะที่เราอยู่ตอนนี้เราสุดโตกันเราสุดโต่งไปทางเก็บเสพกามกันเสพความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสกันอันนี้เรากําลังสุดโตง่งเราต้องดึงความสุดโต่งนี้ให้เข้ามาสู่ตรงสายทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาก็คือออกบวชแล้วก็อยู่แบบพระปฏิบัติมรรคแปดอั น, นีนะ้ทางสายกลางไม่สุดโตง่ง การอยู่ของเราตอนนี้มันสุดโตรงครับผมคุณไลโคพีนครับพระอาจารย์ช่วยเปรียบเทียบกำลังของคณิกะกับฌานสีให้ฟังได้ไหมครับก็ฌ า, านสีมันจะมีสองลักษณะสงบรวมปั๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้ารวมแล้วตั้งอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ ไม่เป็นมีเหมือนกันสงบเหมือนกันรวมเหมือนกันสักแต่ว่ารู้เหมือนกันมีอยู่เวิขาเหมือนกันแต่ระยะเวลาอยู่มันมันมากน้อยต่างกันสําหรับใหม่ๆแรกๆนี้สติจะไม่มีกําลังมากที่จะเดึงให้อยู่ได้นานเดินให้มันรวมได้ก็ถือว่าโอ้โหหืดขึ้นขอแนละ้วนี่นใหม่ๆผู้ปฏิบัติมักจะได้แค่แค่สักกณิกะสมาธิ แต่พอได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วก็จะเกิดศรัท ธ, ธาเกิดฉันทวิริยะที่อยากจะทำเพิ่มให้มากขึ้นจ ะ, จะหาเวลามาฝึกสติให้มากขึ้นแล้วต่อไปถ้าฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเวลาจิตรวมมันก็จะรวมได้นานจากห้าเนี่ยจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งวิกลายเป็นห้าห้าห้าวิสิบวิยี่สิบวไปค่อยๆพัฒ น, นาขึ้นไปเรื่อยๆ คุณแว่นครับรู้ทุกสามารถลนะสมุทัยคือความอยากซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ใช่ไหมครับคือความรู้ทุกนี้ก็คือหมายความว่าเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เราทุกข์รู้ทุกเช่นทุกให้กาหนดรู้ให้รู้ว่าทุกเราเกิดที่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นที่ตั้งของของทุกที่เกิดที่เกิดเหตุ แต่ไม่ใช่เป็นเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายนี้มันถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเรามีความอยากอยากอยากให้ร่างกายอยู่เป็นนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้ตัวนี้ต่างหากที่เป็นสมุทัยเหตนั้นถ้าจะล่างสมุทัยต้องล่าความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่เอ่ออยากอยู่เป็นนานๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันขัดกับความเป็นจริงไง เราต้องเอาความเป็นจริงมายืนยันร่างกายเป็นอนิจจังอนัตตามันเกิดแล้วก็ดับช้าหรือเร็วเท่านั้นเองมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีใครยกเว้นแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าเองก็ก็ไม่ก็ไม่ ย, ไมยกเว้นถึงเวลาก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใจของพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์กับแก่ความแก่ความเจ็บความตายเพราะละความอยากได้รู้ว่าความอยากเป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ คุณอังคนาพรครับการเข้าถึงสภาวะอุเบกขาแล้วสามารถนําไปแก้กรรมได้ไหมครับกรรมเก่าแก้ไม่ได้แล้วอย่างที่พูดไว้เพียงแต่ว่ามันจะทําให้เรานี่ต้านกรรมเก่าได้ถ้าเราตายไปนี้ต้านและเรามีอุเบกขามากกว่ากรรมเก่าที่เราได้ทําไว้กรรมเก่าก็ดึงเราไปอบายไม่ได้เราก็จะไปอยู่ในพรหมโลก การได้อุเบกขาแล้วนิดหนึ่ถือว่าเป็นเป็นบุญที่ใหญ่เป็นกุศลที่มากมายเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพื่อระดับสมาธิระดับสมาธิระดับรูปฌานสี่อุเบกขาก็รูปฌานเป็นแต่ว่าจะได้มากได้น้อยได้นานหรือไม่นานใหม่ๆได้แค่คันิกาได้แค่หมู่แลบเล่นฟ้ารัตมันก็ได้นิดเดียวต้องพอได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องเริพัฒนาให้มันสงบได้นานๆจนสามารถที่จะเข้าสมาธ่ได้ทั้งวัน ออกสัตย์สมาธิมาก็ไ ม, ม่โอเบคาติดกับใจมาพอโอเบคาเริ่มเริ่มเสื่อมลงก็กลับเข้าสมาธิใหม่ได้ต้องปฏิบัติสมาธิทั้งวันสลับกั บ, บเวลาออกมาก็ต้องเจริญสติเดินชมกลมอะไรทำนองนี้เพื่อรักษาใจไม่ให้คิดปูนแตกคุณก้องครับ การที่ขึ้นเขาไปกราบรอยพระพุทธบาทเราได้บุญหรือได้ในสงอย่างไรบ้างครับก็ถ้าจะได้บุญก็คือได้ความภาคเพียรไงการเดินขึ้นบันไดสองรอยขั้นมันก็ต้องใช้ความพยายามเป็นการฝึกความเพียรไปในตัวทาเองคุณเต็มดวงครับกรรมจากการที่เคยทำร้ายผู้อื่นโดยการเตะกระทืบ เออทำเขาอย่างไรก็ต้องโดยเขากลับมาทําเราอย่างนั้นก็แล้วกันให้คิดอย่างนี้เดี๋ยววัน่งข้างหน้าก็อาจจะมีใครมาเตะมากระทืบเราก็ได้คุณดีซีครับกลับเรียนถามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวเรียกธรรมธาตุนั้นเป็นอย่างไรคะหนูได้ยินหลวงตามหาบัวท่านพูดบ่อยมากครับคือพระพุทธเจ้าก็มีจิตที่ซาบริะเสก พระธรรมคำสอนก็เป็นธรรมคาสอนที่สอนให้ทําจิตให้บริสุทธิ์ภาริยสง์สารวกก็ปฏิบัติตามคําสอนจนทําให้จิตของท่านบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วมันก็เหมือนกันพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นธรรมธาตุเป็นเป็นธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสคุณไลโคพีนครับผมนั่งยังไงก็ไม่เกินสามชั่วโมงเลยครับ นั่งขัดสมาธิเพชรมันปวดครับทํายังไงให้นั่งได้สีชั่วโมงครับอาจารย์ก็เวลาจะถึงเวลามันอยากจะลุกเราก็เริ่มต่อแล้วก็คำบริกรรมต่อไปใหม่สู้กับมันใหม่อย่าเพิ่งยอมแพ้พอในสามแล้วพอมันมอยากจะลุกแล้วก็หยุดความอยากนี้ด้วยการใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทพโธต่อบไปคุณวิวัตรครับการให้แตเอียในช่วงตรุจีนญาติพี่น้องได้บุญไหมครับ คนให้ได้บุญแต่คนรับไม่ได้บุญเป็นการทําทานทําบุญทําทานอย่างเวลาญาติโยมใส่บาตรนิพพานไม่ได้บุญเย <c oughs> ได้แต่ข้าว <c oughs> กินแต่ญาติโยมคนใส่บาตรเนี่ยได้บุญ คุณจินดาครับบอกว่าไปทำบุญหล่อพระประธานที่มหาอุโบสถประสาทวัดมเหยยงอายุทยามา อ, อ๋อบอกให้ร่วงวนมโนทนาบุญครับนโมทนาก็าเป็นการทำทานทาบุญทำทานเนี่ยก็ปอยู่ในกลุ่มของทานยังไม่ได้ขึ้นสู่ศีลหรือภาวนาอาจารย์ครับมีคอมเมนต์ขอพระอาจารย์รักาษาธาตุขันให้ร่างกายแข็งแรงเต็มไปหมดเลยนะครับอาจารย์ครับ ถามว่าเราบอกให้ลมหยุดพักได้ไหมเราบอกให้อากาศเปลี่ยนได้ไหมร่างกายมันก็เหมือนดินฟ้าอากาศนี่แหละไปสั่งมันได้ไหมไม่ได้หรอกทําได้ก็แค่พยายามประคับประคองมันอย่าให้มันอมันมันแยากกว่านี้ถ้าเรารู้เหตุว่าทํำยังไงให้มันแยากว่านี้ก็คือคอยพักผ่อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้พักผ่อนให้ร่างกายมันมีเวลาฟื้นฟูกําลังของมันแล้วเดี๋ยวมันก็หายเอง แต่จะไปขอให้มันหายนี่มันมันไม่ฟังเราหรอกมันเป็นอนัตตามันเป็นดินน้ำลมไฟร่างกายเรานี้ก็ทํามาจากดินน้ำลมไฟถ้าไปขอไปอยากมันจะทําให้เสียใจทุกข์ใจได้เวลาไม่เป็นมันไม่เป็นไปตามความอยากแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันนะจะดีขึ้นก็ดีจะไม่ดีขึ้นก็รู้ว่ามันไม่ดีขึ้นแต่ใจเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากมันเหมือนกับดินฟ้าอากาศฝนจะตกวันไหนก็ปล่อยมันตกไป มมมััันนจจะะอออออก ก, อไปไป ก, กกกกกไไไ่่่แแลลล้้วว็็ปปยบคุณกิติพรครับการบริจาคร่างกายทั้งหมดเพื่อการศึกษาทางการแพทย์โดยไม่ต้องให้ญาติรับร่างกลับไปประเพณกุศลอีกเลยอย่างนี้เป็นการผิดพิธีการทางศาสนาหรือไม่ครับไม่มีหรศาสนาไม่มีพิธีการเรื่องว่าจะทำไงกับศพ ข, ของคนตายโดยธรรมเนียมก็เอาไปเผากันเป็นส่วนใหญ่ พระพุทธเจ้าก็ให้เอาผ้ามัดแล้วก็เอาไปเผาไม่มีไม่มีอะไรเป็นกฎตายตัวจะไปฝังก็ได้จะไปเผาก็ได้จะปล่อยไปทิ้งให้เป็นอาหารการลูกกาก็ได้หรือจะบริจาคให้โรงพยาบาลไปก็ได้ไม่ไม่ได้บุญทั้งนั้นวิธีการเหล่านี้ไม่ไม่ไม่ได้บุญบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลก็ไม่ได้บุญเพราะเราไปเราไม่ได้บริจาคตอนเป็น ถ้าอยากจะได้บุญเราต้องบริจาคตอนเป็ น, นเช่นบริจาคตาไปข้างหนึ่งอย่างเงี้ยหรือบริจาคไตไปข้างหนึง่งบริจาคเลือดอนี้เราจะได้บุญเพราะเรารู้งไงเรารู้ว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่เรารักไปสิ่งที่มีคุณค่าราคาสําหรับเราเมื่อเราเสียไปใจของเราก็มีความสุขถ้าเราตั้งใจยอมยินยอมที่จะเสียความสุขใจที่ได้ทํานี้ก็เขาเรียกว่าบุญเขาโอกาสครับอาจารย์ตอน เวลาที่ทําเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่่ะครับคนที่บริจาคห้องใจมานีครับเวลาที่จบพิ่ีครับอาจารย์ครับนักศึกษาแพทย์จะไปทําบุญกันครับเขาจะเอาล่างอาจารย์ไปทําพิธีกรรมทางศาสนาให้ก็เลยบอกว่าคนีบริจาคก็ไม่ต้องกังวลครับยังไงก็ได้เข้าพิธีครับอาจารย์ครับคือ <c oughs> ถ้าเราทําบุญแล้วก็สามารถจินบุญให้กับเจ้าของร่างกายนี้ได้แต่ว่าท่านยังไปไม่สู่ยังไม่ไปถึงสุคติ อาจจะติดอยู่ในอบายหรือในอาจจะช่วยส่งให้ส่งให้ท่านไปสู่สุคติหรือให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ ค, คุณทีระครับผู้ที่บรรลุทำแล้วท่านต้องหายสงสัยในเรื่องราวของสิ่งต่างๆของโลกสมมตินี้ด้วยใช่ไหมครับ ใน เ, เรื่องสมมุติต่างๆนี้ท่านอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้เรื่องเครื่องบินอะไรแบบนี้เครื่องจักรรถยนต์อะไรทาอะไรได้อย่างไรนี้ท่านก็จะไม่รู้เพราะท่านไม่ได้เรียนีสิ่งที่ท่านหายสงสัยก็คืออริยสัจสี่มากคแปดนี่ตายรักนี่ท่านจะหายสงสยัยคุณทิติมาครับถ้าเราต้องทํางานร่วมกันกับพวกมิจฉาทิฐิเราจะวางตัวอย่างไรครับ ก็ให้มีความเมตตาต่อกันเพียงแต่ว่าเราอย่าไปเอาความเห็นของเขาที่ผิดมาใช้กับเราแล้วกันถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันเขาจะไปทางนั้นก็ปล่อยเขาไปแล้วเราก็อย่าตามเขาไปคุณนัทวไลพันธ์ครับขนาดนั่งสมาธิเอาจิตเกาะที่ลมหายใจเข้าออกซึ่งลมหายใจก็เป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวง แต่ถ้าตายในเวลานี้ลมหายใจดับจิตที่เกาะอยู่จะดับไปด้วยไหมเพราะจิตไม่ได้ฟงซ่านอะไรครับอ๋อจิตไม่มีวันดับนะจิตเพียงแต่ว่าขาดการติดต่อกับร่างกายเห ม, ม, มือนกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องแต่เครื่องหนึ่งมันเสียมันมันก็ส่งสัญญาณไปให้เครื่องหนึ่งไม่ได้เท่านั้นเองถ้าร่างกายตายไปมันก็ไม่สามารถส่งลูกเสียงกินลดผดทะพะไปให้ใจได้ใจก็ขาดการติดต่อกับร่างกายไปโดยปริยาย แต่ใจก็อยู่ต่อไปอยู่ในสภาพของกายทิพย์ที่เราเรียกว่าวิญญาณดวงวิญญาณน่าจะอยู่สุขติหรือทุกติแลืว อ, อยู่ในพรหมโลกก็อยู่ที่บุญที่เราทำํำมาเราอยู่เราทําได้ในระดับไหนคุณแสวบครับพระอาจารย์พอมีอุบายตามดูจิตให้ทันไหมครับแล้วสติเนี่ยเบื้องต้นเราอย่าไปตามดูจิตแล้วตามไม่ทันหรอก พรมันเร็วกับเรามากเราต้องหยุดอยู่จิตด้วยการใช้สติดึงมันไว้อย่าปล่อยให้มันไปพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอมันหยุดแล้วทีนี้เวลามันจะคิดเราก็จะเราก็จะคอยจับมันตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มคิดเลยพอมันคิดไปในทางที่ไม่ดีก็หยุดมันหรือสั่งให้มันคิดไปในทางที่ดีได้ให้คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ คุณว น, นาครับพระโสดาบันได้อริยบุคคลไหมครับเป็นเป็นอาริยบุคคลขั้นที่หนึ่งพระโสดาบานันยังมีอีกสามขั้นที่จะต้องยกปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปจากโสดาบันก็ไปเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ตามลำดับก็อยู่ที่การชําระสังโยชน์หรือกิเลสที่ยังไม่ได้ชําระต่อไปให้หมดไปจากใจ คุณเทพรักษาครับถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดจะระงับสังขารในขันห้าหรือปฏิจจสมุปบาทด้วยหรือไม่ครับก็หยุดไงก็อวิชาปัจจญาสังขารละเพราะเรามีสติสังขารลาก็ปรุงแต่งไม่ได้ข้อที่2มันจมันก็จะมันก็จะไม่ไปทางวิญญาณทางรูปเสียงกลิ่นรสเนีย ข้อที่สองครับการรู้ลมหายใจได้ตลอดเวลาจะเท่ากับการมีสติเต็มร้อยหรือไม่ครับก็ถือว่าจ ะ, จะเต็มน้อยหรือไม่นี่ก็พูดไม่ได้นะถ้าจะเต็มร้อยมันต้องรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้คุณชนระดาครับโสดาบานที่กลับมาเกิดเจ็ดชาติจะรู้ตัวตั้งแต่เกิดเลยไหมครับหรือต้องมีเหตุให้มาปฏิบัติต่อถึงจะทราบครับ <c oughs> อ, อ๋อจะรู้ว่าตัวเองไม่ไ ม, ไม่ทบาบาปโดยเด็ดขาด คนอื่จะชอบคนอื่นจะชวนไปยิงนกดอกปลาอะไรนี่ก็ไม่ไปเอาไม่เอาด้วยแล้วก็จะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บทางร่างกายจะรู้สึกเฉยๆเวลาเป็นไม่กลัวความตายอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นความรู้สึกความอยู่ในจิตของพระโสดาบันไป ค, คุณแพทครับในเมื่อจิตยังเป็นจิตเดิมแม้นเราจะตายแล้วแต่ทําไมเราถึงจําอดีตไม่ได้ครับเพราความจําเราสั้นไง เราจำเมื่อวานนี้ได้ไหมว่าเราทำอะไรบ้างเรากินอาหารอะไรบ้างตอนเช้ากินอะไรตอนกลางวันกินอะไรอาจจะต้องนั่งนั่งคิดอยู่นานพอสมควรก่าจะจำได้แต่สำหรับคนที่มีความจำดีถ้าเข้าปุปจาราสมาธิได้ก็จะสามารถระลึกชาตได้แต่มีคนน้อยคนที่มีความสามารถในระดับนี้คุณแม่นครับ เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมากับเรากับคนอื่นแต่ใจเราไม่คิดกลัวทุกข์จะบอกใจอย่างไรให้กลัวความทุกข์ครับไม่กลัวความทุกข์ก็ดีสิที่ปัญหาก็คือกลัวความทุกข์กันไม่อยากจะทุกข์กันถ้าไม่กลัวความทุกข์ก็ดีแต่มันไม่กลัวจริงหรือเปล่าลองอดข้าวดูสิว่าอไม่กินข้าวทักวันนี้จะจะมีความรู้สึกทุกข์รึไม่ทุกข์ถ้าไม่กลัวความทุกข์มันก็ต้องรู้สึกเฉยเฉยหิวข้าวก็หิวไป ความหิวข้าวก็เป็นความทุกอย่างหนึ่งคุณวันธนาครับการกินอาหารก้นบาทจากพระอระหันเพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้จริงไหมครับอันนี้ก็เป็นการลดความลดกิเลส ข, ของเรานะากินแบบกูบาอาจารย์ท่านกินแล่ก็กินแบบคุกอาหารในบาทเนี่ยอาหารมันไม่น่าดูหรอกอาหารของพระในบาทเนี่ย แต่คนที่สามารถลดตัวลงให้มากินอาหารค้นบานได้ก็ถือว่าลดกิเลส ล, ลงมาได้เยอะขออภด้วยคุณพิงกี้ครับช่วงนี้ทันเห็นการเกิดแต่ชอบปล่อยเพลินในกิเลสบางตัวจนไม่ทันการดับต้องปรับยังไงครับก็ต้องมีสติพอเห็นมันเกิดปั๊บแล้วก็ต้องหยุดมันให้ได้ใช้กำรมลิกัมกพุทโธพุทโธ คุณอมนยาครับอยากให้เพื่อนที่เขามีทุกข์เจ็บป่วยเครียดให้เขาสวดมนต์นั่งสมาธิแต่เขาจะปฏิเสธว่าทําไม่ได้เพราะใจยุ่งเหยิงเราจะแนะนําอย่างไรครับมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปแนะนําเขานอกจากถ้าเขาขอความปรึกษาเราก็ให้บอกเข้าไปถ้าเราไปแนะนำไปญาติเยียดให้เขาเดี่ก็อาจจะลาคาญก็ได้เพราะถ้าเขาทําไม่ได้ เอาาก็ทไํได้คุณครองสติครับขณะนั่งสมาธิมีวิธีชนะความคันได้อย่างไรไม่ให้จิตเราอยอมแพ้ครับก็ปล่อยมันคันไปแต่อย่าไปสนใจพออยายามอยู่กับคําบริกรรมบริกรรมไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราอยู่คําบริกรรมไปสักระยะเดียวความคันเราก็อาจจะลืมไปมก็จะไม่เข้ามาในความรู้สึกของเราการรับรู้ของเรา คุณวีว่าครับเทศกาลตรุษจีนคนนิยมไหว้บรรพบุรุษกันถ้าไม่ไหว้บรรพบุพ ร, รุษจะบาปไหมครับและการไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนจําเป็นที่เราต้องไหว้หรือเปล่าครับอันนี้มันเป็นเรื่องของประเพณีของคนจีนเขาเชื่อว่าบรรพบุรุษนี่เขาเป็นผู้มีมีพระคุณเขาก็อยากจะไหว้ระกราบร ะ, ะลึกถึงพระคุณของเขาซึ่งก็ไม่ใช่เป็นการเสียหายแต่อย่างใดแต่ถามว่าได้บุญหรือไม่ก็ไม่ได้อะไร เพราะว่าถ้าจะตอบแทนบุญคุณต้องตอบแทนที่เ้ายังมีชีวิตอยู่เรียงดูพ้าไม่ให้ดีตามที่ในมงคลที่อมาตาปิตุอุปถนะัมภ์เอบุปถามบุปถัมดามันดาเป็นมงคลอย่างยิ่งท่านตายไปแล้วมากลาบกี่ร้อยครั้งกี่แสนครั้งมันท่านเขาไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการกราบของเรารอย่างถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณต้องทำตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โอกาสครับพระอาจารย์ตอนพระอาจารย์เด็กๆอยู่สุพรรณนี่ก็ยังไปไหว้เจ้าอยู่เลยใช่ไหมครับก็ไปเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลเช่นกินเจเนี่ยพี่ยาเขาก็จาไปอยู่ที่วัดเลยแล้วก็ไปนอนที่วัดที่ที่โรงเจเราก็ติดไปด้านหน้าเราก็ยังเด็กอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดขวบนะแล้วก็ไปไปดูงิ้วทั้งคืนเลยกินกินเจกินถั่วถั่วขั่ว กินไอ้ชัยโป๊กกินโป๊กมีมีเย็นเนอะไหมอาจารย์สบายก่อนผมไปกินที่โรงเจ๋ก็มีหมีเย็นเคไปเหมือนกันมันเป็นบะหมี่ที่เป็นหวานนะครับอ๋อใช่เออมีหลายอย่างแต่จำไม่จำไม่ได้ล่ะครับคุณสลาบูธครับ เราก็อยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีย่อมมีดับไปแต่ทําไมการที่ใจมันยังปล่อยวางไม่ได้สักทีครับเพราะเราอยากให้มันไม่เที่ยมันเราอยากจะให้มันอยู่ไปเรื่อยๆนั่นเนองอนนี้ความอยากตัวนี้มันแรงมากดั้นเราต้องใช้สติเพื่อหยุดความอยากอันนี้ให้ได้ถ้าไม่มีขั้นสติแล้วไม่มีปัญญาแล้วอาจจะมีปัญญาแล้วเพราะเราได้ยินได้ฟังอยู่เลยว่าร่างกายมันไม่เที่ยง แต่เรายังรับมันไม่ได้เพราะกิเลสมันไม่ยอมให้เรารับกิเลสมันไม่ยอมล้วถ้าจะให้กิเลสยอมรับเราก็ต้องมีสติเข้าสมาธิเข้าฌานไดนะ้ตอนนั้นจะมีกำลังหยุดความอยากได้คุณหนึ่งครับการแผ่เมตตาที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรครับ อ๋ต้องแผด้วยการกระทาไม่ใช่นั่งสวดมนต์คนเดียวในบ้านแล้วก็แผดไปให้คนนู้นคนนี้อันนี้ไม่ได้เป็นการแผดเมตตาเป็นการเป็นการสวดมนต์มากกว่าหรือเป็นการเรียนรู้วิธีแผดเมตตาว่าต้องแผดอย่างไรบ้างเนเวลาแผดต้องเวลาเราเจอกันเนี่ยพอเจอกันก็อย่างน้อยก็ทักทายกันก่อนเนี่ไม่ใช่หน้าเบื่อตึงสายกันอย่างเงี้อันนี้ก็แสดงว่าเราให้ความเมตตาความเมตตาก็คือมิตรภาพเนี่ยเราก็ ทักทายเขาถามสามรถทุกสุขดิบเป็นยังไงสบายดีเลยแล้วถ้าเกิดทํางานร่วมกันแนละ้วอาจจะมีอะไรกระทบกระทั่งกันในการผิดพลาดทําทให้เกิดความเสียหายกับเราเราก็ต้องให้อภัยเขาอย่าไปถือโทษกดเกินเขาแล้วถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขแล้วก็มีของอะไรมาฝากเขาก็ให้เขาไปนี่นี่คือวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการนั่งสวดมนต์อยู่ในบ้านคนเดียว คนที่รับเขาไม่รู้ว่าเราแผ่ไปให้เขาแล้ว <c oughs> คุณนาลาครับโยมยังต้องทํางานอยู่เนื่องจากมีภาระหนี้สินเหลืออีกห้าปีจากเกษียณแล้วครับก่อนกเกษียณ น, นี้โยมตั้งใจจะฝึกสติและนั่งสมาธิจะสามารถปฏิบัติเข้าถึงอปปนาสมาธิได้ไหมครับเพราะยังไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้งวันครับมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งอะที่เราไปฝึกได้เรามันไม่ได้ทํางานทุกวันเนี่ยวันหยุดเนี่ย มีวันอาทิตย์หนึ่งก็มีวันหยุดสองวันหรือในช่วงนี่มีเทศกาลบางทีก็อยหยุดสี่วัน <Yeah. S 2> แล้วก็เอาเวลาช่วงเหล่านี้ไปฝึกก่อนสิคุณสราวุธครับยายป่วยทางร่างกายและจิตใจจะมีวิธีสอนคนป่วยยังไงท่านถึงจะท่านจึงจะยอมรับและไม่ทุกข์กับมันได้ครับอย่างที่พูดเสมอว่าจะไปสอนใครนี่ต้องดูว่าเขาอยากจะให้เราสอนหรือเปล่าก่อน ถ้าก็ไม่อยากให้เราสอนก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาเลยต้องดูว่าคุณยายก็อยากให้ใหเราสอนไหมซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะมองเราเป็นเด็กเด็กมันซึนจะมาสอนผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมเออเขามีคำพูดว่าเราเอา่อะไรมาก่อนเลยน้ำหมุนก่อนใช่ไหมเออคุณกรอนครับผลของกรรมจะมาส่งผลทางกายหรือทางใจเจ้าครับ ทั้งสองทางเนี่ยบางทีก็ถูกเขาทําร้ายร่างกายแล้วบางทีเขาก็ทําอะไรที่ทําให้เราเสียใจเศร้าใจขันแก้งเราด้วยวิธีการต่างๆคุณจินมนี่ครับการสวดมนต์ทุกวันสวดเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนี้เพียงพอหรือยังครับต้องสวดศึกษาอื่นต่อด้วยไหมครับมันอยู่ที่ว่าเราเราสวดเพื่ออะไร การสวดเพื่อความสงบเร า, าก็ต้องดูว่าใจเราสงบได้จากการสวดสังเกตดูว่าก่อนเริ่มต้นใจเราเป็นอย่างไรหลังจากสวดเสร็จแล้วใจเราสงบมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องผลยุของในการสวดมนต์ก็คือการฝึก iv สมาธิแบบง่ายๆการสวดมนต์ที่ก็บการฝึกสมาธิหนักง่ายๆไปก่อนคุณมาลีครับ <osis> <todos> การทำบุญกับการทำทานต่างกันอย่างไรได้ผลบุญเหมือนกันหรือไม่ครับคือเป็นภาษาที่เราพูดสลับกันแต่การทำบุญจริงๆก็คือการทำทานการทาทานก็คือการให้ให้ของที่เรามีให้กับคนอื่นไปพอเราให้แล้วก็เกิดความสุขใจเิ่มใจขึ้นมาความสุขใจเิ่มใจนี่เราเรียกว่าบุญดังนั้นบางทีเราก็บุญเป็นบุญเป็นผลทานเป็นเหตุ พอเราทำทานเรามีการให้เสียสละแบ่งปันแล้วก็จะเกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็คือบุญอย่างทำความถูกต้องก็คือการทำทานเป็นเหตุใ ห, ให้เกิดบุญคือความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแต่เรามากักจะใช้สองคำนี้ควบคู่กันไปหรือทดแทนกันไปเพราะมันก็มันก็ได้ทำทานมันก็ได้บุญใชทำบุญเลยก็ต้องทำทานต้องให้ต้องมีการให้มันก็ถึงจะได้บุญ แต่คนบางคนเข้ามาแยกแยะว่าถ้าเราทำกับคารวะให้ของกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นนักบวชเราต้องเรียกว่าทำทานแต่ถ้าเราทำกับพระสงฆ์อง์เจ้านี่เราต้องเรียกว่าทำบุญอันนี้เป็นเพียงแต่ธรรมเนียมที่ใช้กันใช้ภาษากันเท่านั้นองแต่ความจริงแล้วมันบุญมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะทำกับคารวะหรือทำกับพระถ้าทำทานแล้วมันก็ได้บุญเหมือนกัน คุณนรวิทย์ครับตั้งใจรักษาศีลทานมื้อเดียวหลังเที่ยงแล้วไม่ทานของหวานเลยแบบนี้ถูกไหมครับหรือทานน้ำหวานหรือช็อกโกแลตได้บ้างครับถ้าอยากจะเอาแบบเพียวๆเหมือนดื่มสุดาไม่ไม่ผสมอะไรเลยก็หลังจากเที่ยงวันแล้วก็ไม่เอาอะไรเข้าปากนอกจากน้ำดื่มอย่างเดียวแต่ถ้ายังจะผ่อนสั้นผ่อนยาวก็ยังมีของที่อนุญาตให้ดื่มและรับประทานได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ของนี่ไม่เป็นอาหารแต่ส่วนใหญ่เขาถือว่าเป็นยายาไม่ต้องกินตอนที่เราไม่สบายใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ไม่สบายแล้วก็ไปกินมันก็เป็นกินเพื่อกิเลสอยู่นีอย่างถ้าถ้าต้องกานที่จะจะปราบกิเลสจริงๆก็เอาแบบเพียวๆไม่มีการดื่มสุราก็เอาแต่เพียวๆไม่ผสมน้ําไม่ใส่น้ำแข็งออ <c oughs> กินเมื่อเดียวพอกินหลังเที่ยงวันแล้วก็วไม่เอาอะไรเข้าปากนอกจากน้ํำดื่ม เพาะน้ำเดือดมันจําเป็นน้ําเปล่านะน้ําที่ไม่มีรูปรสกลิ่นสีต่างๆอันนี้เป็นกิเลสเป็นการเสพกลามอยู่การกินช็อกโกแลตนี่ก็ถ้าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยกินไปมันก็เป็นกิเลสเหมือนกันคุณสิรีครับรับรู้ใจตนเองได้ละเอียดแยกได้ว่าใจไม่สบายใจใจโกรธใจอยากอื่นๆต่างๆกันไปตอนไม่สบายใจวางหรือละต้องรอเวลามันวางเอง หรือเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นๆที่ชอบพอรู้ตัวอีกทีใจก็ปกติแล้วแบบนี้ต้องพัฒนาอย่างไรต่อไปครับเต้องหยุดมันได้ทันทีพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาต้องทำให้มันหายไปได้ทันทีว่างได้ทันทีเกิดเราก็ต้องหาสาเหตุของความไม่สบายใจว่าเกิดจากความอยากอะไรความไม่สบายใจทุกชนิดนี่เกิดจากความอยากต่างๆถ้าเรารู้สาเหตุ ว่าเราไม่สบายใจเพราะเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องหยุดความอยากนั้นเพราะเราหยุดความอยากนั้นได้ใจเราก็จะหายจากไม่สบายคุณสูโม่ครับหนูนั่งสมาธิแล้วรู้สึกกลัวมากๆบางครั้งจะมีวิธีแก้อย่างไรครับก็ลองคิดดู ว, ว่าเวลาเรานอนเราก็เหมือนกันนั่งสมาธิเพียงแต่เราอยู่ในท่านอนนน เวลาเรานอนเราไม่กลัวเวลานอนแล้วก็หลับตาแล้วเราก็หลับไปมันก็เหมือนกัน่ะเวลานั่งสมาธิก็เหมือนนอนต่างกันท้องที่เรามีสติกหรือไม่มีสติเท่านี้ถ้าเวลานอนเราก็จะไม่มีสติก็จะแตถ้าเวลานั่งสมาธิเราก็จะมีสติถ้ามันกลัวก็พยายามเราเลิกถึงพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายกลัวได้ ตามสบายนะคุณหมขออภัยด้วยยินน้าโล่งนเท่าไรครับพระอาจารย์ออทําทุกอย่างได้ตามสบายพระอาจารย์เลยนะครับผมออครับจากคุณไลโคฟีนครับคุณสัจจะครับสัจจะสําคัญต่อการนั่งสมาธิแค่ไหนครับพระอาจารย์ควรในทิฏฐานสัจจะว่าถ้าลุกก่อนเวลาขอให้เป็นนู่นเป็นนี่ตายไหมครับถ้าเราทําไม่ได้มันจะเป็นจริงไหมครับ เออมันไม่จริงหรอกคือว่าทํำเราตั้งศจัจธาแล้วจะต้องตายไปอะไรอย่างนี้มันไม่จริงรอ่ะเพียงแต่ว่าถ้าเรารักษาจัดแบบ ศ, ศรัจธาไม่ได้แล้วก็เป็นคนโลเลเป็นคนโกหกตัวเองเราก็จะไม่สามารถทําอะไรให้สําเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ได้เพราะทําทไปครึ่งทางแล้วก็เกิดเปลี่ยนใจไม่อยากจะทําต่อก็เลิกอย่างงี้แต่ถ้าเรามีสรัจธาแล้วต้องทําไปให้จบตามที่เราตั้งใจเอาไว้ คุณไลา์แฟนมา์ครับเกิดเป็นผู้หญิงไม่ได้มีโอกาสบวชอยู่วัดเราจะปฏิบัติตัวเองอย่างไรบ้างเพื่อให้เข้าถึงธรรมได้อย่างพระพิสุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับก็ก็มีสํานักแม่ชีก็ไปอยู่ได้ตามก็เป็นเหมือนพระดีๆเนี่ยสำนักพิกสุเอ่อไม่เราไม่มีพิสุนี้แต่เรามีแม่ชีก็เหมือนกันศินปฏิบัติศินสมาธิเหมือนกันทางจังหวัดชนบุรีก็มีมีลองลองเสด็จเดือย คนสําทักไม่ชี้จำชื่อไม่ได้ ค, คุณบัวครับเห็นตนเองลักษณะโครงกระดูกบ่อยๆไม่ได้นึกถึงเห็นเรื่อยเห็นอัตโนมัติเองอันนี้หนูไม่ควรยึดวางเฉยๆหนูทำถูกไหมครับทีือการดูโครงกระดูกนี่ก็เพื่อให้เราเห็นความจริงของร่างกายเราว่านอกจากมีผิวมีเนื้อแล้วมันก็ยังมีส่วน อื่ด้วยที่เรามองไม่เห็นอถ้าเราเห็นอาการต่างๆเราก็จะได้เห็นภาพที่ลึกซึ้งขึ้นมามว่าร่างกายเหล่านี้มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างสวยงามหรือไม่สวยงา ม, มเราจะได้ไม่ลหลงใหลกับความสวยงามภายนอกของร่างกายเพราะถ้าเรามองเข้าไปข้างในแล้วมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าสวยงามเลยคุณใบห ย, ยกครับ ลูกนั่งสมาธิดูลมจิตแนบติดกับลมรวมรู้เฉยๆแต่รู้สภาวะด้านนอกทุกอย่างเพียงแต่สิ่งนี้ทำลายความสงบไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตระหว่างวันสิ่งนี้ช่วยให้จิตปรุงแต่งได้น้อยลงมากขอพระอาจารย์พัด <Power> ก <Lip> <laughs> ันแข็งแรงครับจ้าดูจ้าคุณสลาวุธครับ การนั่งสมาธิไม่ว่าจะนั่งไปถึงขั้นไหนๆสามารถแก้กรรมหรืออุทิศบุญนั้นๆให้เจ้ากรรมในเวรหรือเจ้ากรรมในเวรมารับบุญที่เราปฏิบัติธรรมเพื่อขอให้เขาโหสิกรรมวิธีการชนีดสามารถทําได้จริงไหมครับเท่าที่ศึกษามาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ทําอย่างนี้สอนแต่อุทิศบุญให้กับผู้ที่เข้ามาขอบุญส่วนเจ้ากรรมในเวรนี้เราไปไปทําให้เขาเลิกจองเวรจังกรรมเราไม่ได้ เราก็จะต้องมาล้างแค้นเราจนได้วันใดวันหนึ่งเพระฉนั้นการทําบุญนี่ไม่ได้ทำบุญเพื่อไปลบล้างเจ้ากรรมใดเลยเราทําเพื่อส่งบุญให้กับคนที่เรารักเขาโลก <Yeah. S 1> ที่เราคิดว่าเขาอาจจะต้องการบุญเพื่อให้เขาได้อยู่อย่างสุขสบายขึ้นเราก็ทําบุญแล้วอุทิศไปให้กับเขา <Yeah. S 1> แต่การนั่งสมาธินี่แม่พระเจ้าไม่เคยสอนว่านั่งเสร็จแล้วให้อุทิศบุญ คุณนนทนาครับพระอาจารย์เคยบอกว่าคนที่ตายแล้วจิตมันออกไปจากร่างเลยไม่อยู่ตรงนั้นแล้วคำว่าไม่ไปผุดไปเกิดนีม่มีจริงไหมครับออมันต้องไปผุดไปเกิดไม่ช้าก็เร็วถ้าตายดยังมีตัณหาความอยากอยู่แต่ก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่อาจจะต้องไ ป, ไ ป, ไปเป็นไปเป็นไปนรกก่อนหรือไปสวรรค์ก่อนขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราทำว่าอันไหนมีกำลังมากกว่ากัน แต่พอบุญหรือบาปไม่มีกำลังที่จะส่งเราไปสู่สวรรค์เรื่อนายเราก็จะมารอรับร่างกายใหม่มาเกิดใหมค่คุณสราวุธครับเป็นคนชอบทำบุญทำทานชอบทำความดีแต่ก็ยังละความชั่วไม่ได้บางทีก็ผิดศีลบ้างทำตามกิเลสบ้างแบบนี้เราควรพยายามฝ่าฝืาฝนและค่อยลดละไปใช่ไหมครับเราก็ต้องมีมาตรการไม่ใช่ต้องมีการตั้งสัจจะว่า เอาให้มัเป็นกิจการลักษณะเช่ น, นเอาวันพระจะถือศีลห้าให้ครบถูกถ้าเราไม่ตั้งมันก็จะไม่ทำนะพอถึงเวลามันก็มันก็จะทําบาปไปตามที่นิสัยที่ไม่เคยทำํำยันถ้าเราอยากจะสามารถที่จะทํารักษาศีลได้นี่เราก็ต้องมีการกําหนดมาตรการเวลาว่าเราจะรักษาศีลเวลาไหนวันไหนแล้วก็ผูก สัจจะไว้กับความตั้งใจอันนี้ว่าเราจะไม่ผิดสัจจะของเราเรายอมตายหรือยอมอย่างพระพุทธเจ้าก็ตั้งสัจจะเวลานั่งสมาธิถ้าไม่บรรลุท่านก็จะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งไปถ้าร่างกายจะเกิดแห้าตายไปท่านก็ก็ไปให้มันตายไปอันนี้เป็นวิธีการที่จะทําให้เราสามารถรักษาความตั้งใจของเราไว้ได้ว่าเราจะทําได้หรือไม่ ถ้ามีสัจจะแล้วเราต้องทำได้คุณใบหยกครับลูกบอกกับครอบครัวไว้ว่าถ้าเป็นโรคร้ายแรงลูกขอไม่รับการรักษาถ้าตายให้เอาศพไว้หนึ่งวันแค่ให้คนรู้ว่าตายไม่ต้องให้ใครมาบวชหน้าไฟส่งขึ้นสวรรค์เพราะบันเมฆแค่พิธีกรรมบุญลูกทำไป <c oughs> แล้วตั้งแต่ตอนนี้แล้วอ๋อได้คใช่ลุงตายก็บอกว่าม่เวลาท่านตายไม่ต้องมาสวดกุศลาให้ท่าน ไปนั่มาสวดกระสอบของโยมแม่ท่านท่านก็ให้ไว้คืนเดียวตอนต้นงได้ชัท่านจะให้เผาในวันนั้นเลยตายตอนเช้าเพื่อบอกจะให้เผาตอนบ่ายเลยที่ญาติพี่น้องก็บอกว่าขอเก็บไว้คืนจะได้แจ้งข่าวให้ญาติพี่น้องต่างๆได้ทราบเพื่อจะได้มาอําลากันท่านกเ็เลยนิยาาให้เก็บไว้คืนหนึ่งแต่ไม่มีพิธีสวดไม่นิมนต์มาป้ามาสวดกุศลอะไรไม่มีตั้งศพไว้ใครที่อยากจะมาเคารพก็มากลับ ที่หน้าศพเลยแล้วพอวันยังขึ้นตอนบ่ายท่านก็ทำพิธีนิดหน่อยนิมนต์ผ้ามาสักผาา้ <c oughs> าฝังุลเสร็จแล้วเ็าเผาตั้งตั้งกองฟืนไว้ที่หน้าสาราวัดป่าบ้านตากเลยได้มีเมนกอาฟืนมาตั้งกองมาเริ่มเลยแล้วก็เ อ, เอาลงศพไปตั้งไว้เผาจกนกระทั่งไม้หมดแล้ว ตอนคืนพอไฟดับไฟไ ฟ, ไฟมอดหมดแล้วเขาก็เก็บที่เท่าที่เหลือนี้ไปเลยใต้ต้นโพในวัดตอนเช้าพระเนี่ยนองมาบินสบายก็ไม่มีอะไรเหลือเก็บเกี้ยงไปหมดเลยตอนนั้นพระอาจารย์อยู่ในเหตุการณ์เลยไหมครับอยู่ตอนนั้นชนั้นกยังอยู่ตรงทีโยมแม่ตายเลย <c oughs> แล้วไม่มีแบบสร้างเจดีเก็บอัฐิอะไรไม่มีเลยใช่ไหมอาจารย์อาจารยบอกว่าเาไปบูชาต้นโพไง โอ้โไปรถไ ป, าไปไตายตอนโพเลยมันปุ๋ยไปเลยครับผคุณจุ๊บครับพระปัจเจกพระเจ้าสอนธรรมะได้ไหมครับท่านไม่สอนเนี่ยการเป็นพระปัจเจกแกสดงว่าท่านรู้เพียงคนเดียวแล้วไม่บอกใครไม่เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับใครคุณไลโคพีนครับคนที่เขาตามดูความคิด เขาจะได้อะไรครับนั่นไม่เรียกว่าเจะเรือสติใช่ไหมครับใช่ดูความคิดก็ดูไปถ้าดูความคิดนี่ต้องหมายถึงว่าเราอยู่ในขั้นที่เราหยุดความคิดได้ถ้ามันคิดไปในทางที่ไม่ดีอันนี้ต้องเลยขั้นที่เราต้องมีสมาธิแล้วหยุดความคิดได้แล้วถึงจะดูความคิดต่อเวลาเราออกจากสมาธิมัาพอมันจะเริ่มคิดเราก็หยุดมันถ้าเราไม่ต้องการให้มันคิดหรือถ้ามันคิดไปในทางอกุศลแล้วก็หยุดมัน สัง่งใหมันคิดไปในทางขุศนแทนอย่างนีง้แต่ถ้าเรายังหยุดมันไม่ได้เราไม่มีกําลังไปดูมันกาดูเฉยเยมันจะคิดอะไรก็ไม่หยุดมันไม่ได้ก็อยากไปเสียเวลาดูให้เสียเวลาคุณสรยาครับทําไมจิตถึงสื่อถึงกันได้ครับอมันก็มีความสามารถไงมันมีความสามารถในตัวของมันเองสําหรับจิตบางรูปนะ อย่างพวกเรานี <ies> ้ต้องอาศัยมีร่างกายเป็นเป็นเป็นสื่อกลางจึงจะสื <w ain> <sh arp> ่อสารกันได้แต่จิตของผู้ที่มีอุปจารสมาธินี่เขาสามารถสื่อสารกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายจิตต่อจิตโดยตรงเลยคุณวีว่าครับทาบุญปิดทองฝังลูกนิมิตคือการทาบุญแบบทำทานใช่ไหมครับใช่ก็แค่ทำทานนะนี่บริจาคเงินให้กับวัดไป คุณตายตาครับไม่ทราบว่าโทษของของการราคามีอะไรบ้างครับเออก็ทําให้เรามีความเหงามีความเศร้ามีความว้าเหวเวลาเราเกิดการมาราคาขึ้นมาอยู่แล้วไม่มีความสุขอยถ้าเรากําจัดมันได้เราก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความเศร้าสร้างความเหงาสร้างความว้าเหวให้กับเรา <c oughs> คุณแคทครับ เรียนถามเรื่องสี่ห้าและการปฏิบัติธรรมโยมสามารถทําได้ส่วนเรื่องทานที่ทําโดยการใช้เงินช่วงที่ทํางานตอนวัยที่ยังเป็นสาวและก็ทําเต็มที่มาตลอดแต่พอกเกษียณแล้วก็ต้องเก็บเงินไว้ใช้เมื่ออายุมากและทําทานไม่ได้มากเหมือนเดิมแต่ก็ยังทําอยู่ไม่อยากหางานเสริมทําเพราะต้องการใช้เวลาช่วงปลายมาปฏิบัติธรรมให้ได้มากโยมคิดถูกหรือไม่ครับคือถ้าเราต้องมีความจําเป็นจะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราเราก็ต้องมีเงินไว้ ไว้สำหมาใช้การเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ถ้าเรายังมีมีมากกว่าที่เราจะเอามาใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เราจะเอาไปทําบุญก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้บังคับกันเผื่อว่าถ้าเราเกิดเราตายไปเรายังไปไม่ถึงไหนอย่างน้อยก็อาศัยบุญนี่เป็นผูดส่งเราไปสวรรค์ก่อนก็ยังดี <c oughs> ดีกว่าอาจจะทําบาปที่เราทํามามันอาจจะมีกําลังมากกว่าบุญมันก็จะดึงเราไปอาบายได้ คุณพนิดาครับหนูพยายามเปลี่ยนตัวเองแต่ยังถูกกระทบทางจิตด้วยการกระทําจากผู้ร่วมงานซึ่งมีอํานาจการให้ความดีความชอบกับเราแม้จะนิ่งเฉยแต่การนิ่งเฉยกลายเป็นการที่พวกเขาตีความหมายว่าเรายอมและเป็นไปตามคําพูดของพวกเขาและพูดต่อออกไปให้คนอื่นเข้าใจเราในทางที่ผิดควรทําอย่างไรดีครับตอนนี้อยากลาออกจากที่ทํางานเลยไม่อยากเจอคนพวกนี้ครับ <c oughs> เ, ออเราไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะพูดยังไงมันไม่สามารถมาเปลี่ยนแปล ง, ปลงตัวของเราได้หรอกสาเหตุที่เรายอมก็เพื่อจะทําให้ใจเราเย็นแต่ที่เขาเรียกว่าสูตรสามยอมยอมหยุดแล้วก็เย็นยอมยอมก็คือยอมแพ้เขาเขาจะว่างไงก็ปล่อยเขาว่าไปหยุดก็คือหยุดเถียงหยุดต่อต้านหยุดอธิบายอะไรทั้งสิ้นปล่อยเขาคิดไปตามเรื่องของเขาพอเรายอมหยุดแล้วใจมันก็จะเย็นมีความสุข ประมายว่าเราคือต้องการทําใจเราให้เย็นได้เลยแต่ถ้าเรายังไปกังวลกับความคิดของคนเด่นการพูดของคนเดินอันนี้แสดงว่าเราไม่ยอมถ้าเรายอมต้องปล่อยให้เขาด่าให้เขาว่าเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเราไม่ต่อสู้เราหยุดการตอบสู้ยอมหยุดเย็นแล้วใจเราก็จะเย็น คุณสี่พครับขนาดเดินจงกรมภาวนาพุโทโธใจจะหลุดบ่อยก็ใช้สวดอิติปิโสไปดูจากควบคุมสติได้ดีกว่าของตัวเองใช้ได้ไหมครับได้ย่างไงก่อนก็ได้ถ้าเรายังใช้พุโทโธไม่ได้ใช้การสวดไปก่อนก็ได้คุณอนุสอนครับขอโอกาสครับอาการลังเลไม่แน่ใจในการตัดสินใจในชีวิตประจาําวันควรปฏิบัติเช่นไรถูกต้องครับขอความเมตตาครับก็เราขาดปัญญา เราไม่มีข้อมูลที่จะมาให้บอกให้เรารู้ว่าถ้าเราทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลังเลเราก็ต้องพยายามศึกษาหาข้อมูลให้มากขึ้นว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะไม่เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีข้อสรุปว่าถ้าทำอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้คุณเกวาลินครับเห็นอารมณ์ เ, เห็นอารมณ์เกิดขึ้นกลางอกตอนที่เกิดมีสติว่าความว่าคือความกลัวกําหนดแล้วก็ปล่อยถูกต้องไหมครับก็อยู่ที่ว่าดับความกลัวได้หรือเปล่าถ้าทําให้ความกลัวหายไปก็ถูกต้องถ้าความกลัวยังอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้คุณสราวุธครับคนที่เป็นบ้าและป่วยทางจิตเวช ต, ต่างๆพิกลพิการไม่ค่อยสมประกอบเป็นพกกรรมให้ผลกับเขาหรือเปล่าครับ ก็าขาดสติไงยพอไม่มีสติมันก็เลยควบคุมอารมณ์ต่างๆไม่ได้จิตมันก็แสดงความรู้สึกต่างๆออกมาทางกายทางวาจาและทางทา ง, ทางการกระทําถ้ามีสติก็สามารถควบคุมให้จิตอยู่ในตามปกติได้คุณสิริครับถ้าเราใส่บาตรหน้าบ้านกับพระที่ไม่ค่อยปฏิบัติเคร่งเท่าไหร่เราจะวางใจอย่างไรครับ ก็คิดว่าเราทำบุญเราทำทานเพื่อตัวเราเองแล้วไม่ได้ทำเพื่อท่านอหรือถ้าเราไม่อยากจะทำบุญถ้าเร า, เรารู้ว่าท่านอาจจะไม่เคร่งพอสำหรับเราเราก็อาจจะเอาเงินที่เราจะทำบุญนี่ใสก่กระปุกไว้ก่อนก็ได้แล้วพอเรามีโอกาสไปหาพระไปกราบพระที่ท่านเคร่งก็เอาเงินที่เราเก็บไว้ในกระปุกในบ่อยๆจากไปกับท่านก็ได้ คุณวัุครับขณะเดินจงกรมใจยังคิดเรื่องต่างๆเข้ามาเป็นช่วงๆควรจะทําอย่างไรครับก็ต้องมีสติต้องมีการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแล้วมีการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของเท้าที่เราเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปแต่ในเบื้องต้นมันก็ยังข้ามความคิดไม่ได้หรอกมันก็ยังมีเข้ามาอยู่ข้อสําคัญเราอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองแล้เราสนใจอยู่กับการเดินพุโทโธพุโทโธไปเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวต่อไปความคิดมันก็จะเบาบางลงไป คุณขนุนครับการที่เราเกิดในศาสนาอิสลามแต่ศรัทธานในพุทธศาสนาจนพ่อที่เป็นมุสลิมรู้สึกบาปกับศาสนาโทษตัวเองว่าสอนลูกไม่ได้ส่วนเราก็รู้สึกบาว่าทําให้พ่อทุกข์และผิดกับพ่อต้องทําอย่างไรครับและจะเป็นกรรมต่อกันไหมครับเราก็เป็นอิสลามไปก่อนนะสวนในใจเราเราก็เป็นพุทธก็ได้อิสลามทางกายแต่ใจเราก็เป็นพุทธแล้วก็ปฏิบัติในใจพุทธสมาธินั่งสมาธิ ก็ไม่มีใครรู้ว่าเรานั่งสมาธิเรืออ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมไปแต่เวลามีการทำพิธีกรรมทางในสระแล้วก็ทำกับเขาไปอย่าไปอย่าไปบอกว่าเราไม่ทำแล้วเราไม่เอาแล้วนี้มันก็ทำให้เขาเสียใจยได้เรต้องรู้จักวิธีรักษาน้าใจกันคุณไอวอรี่ครับ การให้อภัยกับการให้ทานผลบุญจะแตกต่างกันอย่างไรครับมันก็ถ้าเราให้อภัยใจเราก็จะเย็นเวลาเราโกรธใครนี่บางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยพอเราให้อภัยเขาปุ๊บใจเราเย็นสบายหายโกรธส่วนการให้ทานมันก็ทําให้ใจเราอิอ่มมีความสุขที่เราได้ให้คนอื่นเขามีความสุขจากการเสียสละของเรา ค, รคุณเอ ก, กชัยครับ ความคิดที่เกิดขึ้นคือเราคิดหรือว่าเป็นการทำงานของสังขารปรุงแต่งของขันห้าครับเป็นการทำงานของสังขารเพื่เราไว้แปลความหมายว่าลสังขารคือเราเราเป็นผู้คิดปรุงแต่งแต่วามจริงมันไม่มีเราเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งสมมติขึ้นมาทั้นี้คุณเคสครับขอท่านอาจารย์อธิบายเรื่องการวางเฉยให้เข้าใจถ่องแท้ครับ การวางใช้ก็คือไม่ไปทุกข์ร้อนกับอะไรเนี่ยใครจะด่าก็เฉยไม่ทุกข์ร้อนกับเขาใครจะชมก็เฉยไม่ทุกข์ร้อนกับเขาใครจะมาขโมยข้าวของเงินทองไปถ้าเขาขโมยไปก็ไม่ทุกข์ร้อนกับเขาก็ให้เฉยกับทุกกรณีคุณครองสติครับเราเห็นว่าตอนนี้เรารู้สึกโกรธเราควรหยุดมันทันทีหรือตามดูไปก่อนเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เป็นการกดข่มครับเออความโกรธมันเหมือนไฟอ่ะ พะมันลุกพับเราต้องรีบดับมันทันทีถ้าปล่อยให้มันลุกแรงๆบางทีเราจะไม่มีกำลังหยุดมันก็ได้มันก็จะเกิดการเม่าการการไหมอย่างรุนแรงขึ้นมากฎเรียงรุนแรงขึ้นมาอาจจะไม่สามารถยับยั้มันได้นถ้ามันเริ่มเริ่มขวดนี้หยุดมันได้รีบหยุดมันดีกว่าคุณเลมอนครับ ถ้าเราช่วยเหลือคนแต่พอมีปัญหาในเรื่องที่ช่วยไปนั้นกลับไม่มีคนช่วยอะไรเราเลยเราควรปล่อยให้มันเกิดปัญหาไม่ช่วยอีกจะผิดไหมครับหรือถ้าจะใช้การปล่อยวางจะถูกต้องไหมครับคือเราช่วยใครนี่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนจากการไปช่วยเหลือใครเราช่วยเพื่อความสุขใจสบายใจของเราเราช่วยเขาแล้วเราเห็นเขาได้รับประโยชน์เขามีความสุ ข, ขจากการเสียสละของเราอะไร้็าทาให้เรามีความสุขใจอยิางใจขึ้นมา แต่เราไม่ได้ไปหวังว่าเวลาเราต้องการความช่วยเหลือจะมีใครจะมาช่วยเราอันนี้อย่าไปหวังมันเป็นกิเลสความอยากได้สิ่งตอบแทนจากการที่เราไปทําบุญทําทานกับคนนั้นคนนี้อย่าไปหวังแมตแต่คาขอบคุณเลยอย่างที่เขาเรียกว่าให้ทำบุญแบบปิดทองหลังภาพไม่ไม่ให้เขารู้สียด้ยซ้ำไปว่าเราช่วยเขานี้ได้ยิ่งดีเลยคุณนันาครับ ก่อนเราจะเริ่มนั่งสมาธิเราควรสวดมนต์หรือตั้งอธิษฐานจิตว่าเราจะตั้งใจมั่นปฏิบัติควรทำหรือไม่หรือควรแค่สวดมนต์ก่อนแล้วเริ่มนั่งเลยครับก็ก่อนที่เราจะทำเราเราก็ต้องเราก็ต้องตั้งจิตไว้ก่อนจะมีความตั้งใจไว้ก่อนความตั้งใจก็คือมายว่าอธิษฐานนยภาษาพานี่อธิษฐานไม่ได้แปลว่าเป็นการขอแต่เป็นการตั้งใจว่าเราจะทำอะไร วันนี้เราจะมาฟังเทศนี้เราก็ตั้งใจไปก่อนล้ว่าเดี๋ยวถึงเวลาจะม า, มาฟังเทศอันนี้ก็คืออธิษฐา น, นตั้งใจจะมาฟังเทศถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็อาจจะไปดูโปรแกรมอื่นก็ได้เพื่อนอาจจะโทรมาคุยด้วยชวนคุยด้วยแล้วก็คุยกับเขาไปเราก็จะไม่ได้ทำตามอ ย, าอย่างที่เราตั้งใจถ้าเราถ้าเราตั้งใจเราก็จะต้องไม่เปลี่ยนใจต้องมีสัจจะ แล้วเราก็จะได้ทําตามที่เราตั้งใจได้ในวันนี้จะนั่งสมาธิแต่สวดมนต์ก่อนก็ได้แล้วแต่เราถ้าเรานั่งสมาธิเลยไม่ได้เราอยากจะสวดมนต์ก่อนเพื่อกล่อมใจให้สงบนในระดับหนึ่งเราก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้คุณอาวัตครับการร่วมสร้างพระพุทธหรือพระประธานมีอนิสงส์จริงหรือไม่อย่างไรครับก็มีแค่ทําทา ย, ยาไปสวรรค์นเนี่ย เราก็จะได้ไปสวรรค์จิตเราก็จะได้เป็นเทพคุณเผาครับทําไมพระพุทธศาสนาจึงแยกนิกรัยครับเพราะคนมีต่างจิตต่างใจมีความรู้สึกนิคิดไม่เหมือนกันในบางเรื่องบางอย่างก็เลยเกิดการกปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันก็เลยต้องแยกกันเพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้เช่นนิกายหนึ่งเขาว่ากินนมได้นมไม่ได้เป็นอาหาร แอินนิการหนึ่งก็ว่านมเป็นอาหารดื่มไม่ได้หลังเที่ยววันไปแล้วเดีย๋ยวนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อินนิการนึ่งเขบอกเก็บเก็บสตางค์ไว้ได้ไม่ต้องใช้ฝากคนอื่นไว้เวลาั้องการจะใช้จะได้สะดวกใช้ได้เลยไม่ต้องผ่านคนอื่นแต่อินนิการหนึ่งเขาบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้เก็บตังค์ไว้ใช้เองให้ฝากไว้กับวายาวจักรคนที่เราเชื่อเชื่อถือได้และเวลาที่เราต้องการอะไรเราก็บอกเขาให้ไปจัดหามาให้เรา มันก็เลยมีความรู้สึกการแปลความหมายไม่เหมือนกันท่านี้มันมาจากการที่ก่อนตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนจะจากไปนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ปรารุ ก, กับพระอนนุนว่าอานุน์ถ้าเกิดเราไปแล้วถ้าพระถ้าสงเห็นว่าข้อวัดข้อห้ามบางอย่างที่เป็นข้อห้ามที่ไม่ใช่เป็นข้อห้ามที่สําคัญเป็นข้อห้ามผิดย่อยถ้าสงเห็นว่าอยากจะเลิกก็เลิกได้เอน แต่เขางให้สงเป็นผู้ตัดสินใจทีนี้ก็เลยมีข้ออันนี้เลยทําให้กลุ่มหนึ่งก็าคำว่าพระพุทธเจ้าอ้างว่าถ้าเห็นว่าการจับเงินจับทองไม่ได้นี่มันเป็นอยปัสสัคว์ก็ยกข้อนี้ไป<ม>เขาก็เลยทําอย่างนี้พราำอย่างนี้พวกที่เขาไม่อยากจับต้องเงินทองเขาก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยเขาก็แยกกันไปอยู่คนละส่วนกันแต่เรื่องของการปฏิบัติคําททสอนนี่ก็ยังเหมือนกันอยู่ ที่ต่างกันก็คือการมาพื้นปฏิบัติข้อห้ามต่างๆอาจจะมีการตกต่างกันไปคุณไตพบครับจะรักษาศีลห้ายัางไงให้ครบและไม่ให้เกิดความกังวลกลัวแต่ตัวเองจะผิดศีลครับเพราะพอสมาทานศีลใหม่ก็จะเกิดความเครียดกลัวจะผิดศีลครั บ, บ, รบรก็ลองทําไปดูเสียจไปกลัวทำไมดูก่อนว่าทำแล้วมันผิดศีนนลข้อไหนแล้วค่อยมาหาวิธีแก้มันในแต่ละข้อไปก่อน หรือถ้าเราไม่สามารถรักษาอะไรทุกข้อก็สมาทานแค่สินสีก็ได้สินสามก็ได้อย่างน้อยข้ามันมีศินบ้างดีกว่าไม่มีเลยข้ออะไที่มันยังยากก็เราก็อาจจะต้องอาบาูมคิดว่าจะรักษาสินข้อนี้ยังไงไม่ให้ขาดให้ได้ถ้ามีความเพียรพยายามมันมันต้องทําได้แหละมันไม่ใช่เป็นของที่สุดวิสัย คุณเอ็มครับโยมีข้อสงสัยว่าการเจริญปัญญาและพิจารณาสภาวะตามความเป็นจริงนั้นสามารถทำได้ขณะใ ด, ดครับขณะขณะที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าเราอยู่ในสมาธินี้จิตนิ่งสงบทำไมาไม่ได้พิจารณาอะไรไม่ได้แต่หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วนี่จะพิจารณาปัญญาได้เลยถ้าอยากจะพิจารณา คุณอมพรครับลูกซื้อของมาให้พ่อและแม่ชวนพ่ออนุโมทนาโดยลูกไปใส่บาตรให้พ่อได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกซื้อมาเราต้องให้พ่อไปเลยให้แม่ไปเลยส่วนพ่อหรือแม่บอกว่าอลูกเดี๋ยวเอานี่ไปทําบุญให้หน่อยนะอะไรเงี้ยเขาก็จะได้บุญแต่ถ้าเราบอกพ่อว่านี่เดี๋ยวพ่อไปใส่บาตรนะเท่ากับใช้พ่อเ็ไงมาเราขี้เกียจใส่ก็เลยใช้พ่อพ่อเดี๋ยวพ่อไปทําบุญให้หน่อย เพราะมันเป็นของของเราแล้วมันเป็นเจตนาของเราไม่ใช่เป็นของของพ่อไม่ได้เป็นเจตนาของพ่อคุณนทศพักครับผมเลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากตรงนี้ท่านอาจารย์มีข้อนิชินแนะนําอย่างไรที่ผมจะมีที่ปฏิบัติธรรมที่มีความสงบแบบสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ครับก็ไปรับไปตามวัดป่าต่างๆมีรายสาย สายหลวงปูชาสายหลวงตามหาวัวสายหลวงปูแ่แบรนสายอะไรต่างๆนี่เขาก็มีเป็นวัดป่าวัดที่มีแต่เรื่องของการปฏิบัติล้วนๆนั่นเองต้องศึกษาต้องค้นหาดูสมัยนี้ง่ายเพราะมันมีอินเทอร์เน็ตเราใส่เข้าไปดูใส่หาวัดป่าสายอาจารย์บ้านเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ไปศึกษาดูว่าวัดไหนเป็นยังไงถูกกําลราหรือไม่คุณนักเกตครับ คนที่ฆ่าตัวตายไปยังวนเวียนอยู่ให้คนในบ้านเห็นเพราะอะไรจิตจึงไม่ไปเกิดในอบายสีทันทีและทำอย่งางไรจะช่วยเขาได้ครับตอนนี้ไม่รู้จริงไม่จริงไม่ทราบนะยบางทีคนที่ว่าเห็นนี่อาจจะเป็นอุ ป, ปทานคิดไปเองก็ได้อันนี้ก็เลยไม่ไม่อยากจะพูดเพราะพูดไปก็มันก็ไม่ไม่ได้อะไรเพราะไม่มีใครรู้จริงๆว่าเขาวนเวียนอยู่เมื่อไหร คุณสลาวุฒิครับเวลานั่งสมาธิเกิดความคิดขึ้นผมใช้วิธีหยุดลมหายใจชั่วคราวความคิดนั้นๆจะหยุดไปผมสามารถใช้วิธีนี้แทนการกาหนดพุทโธได้ไหมครับคือการไปหยุดลมหายใจนี่เป็นการไปควบคุมบังคับลมซึ่งมันก็จะไม่เป็นการปล่อยให้ลมมันอยู่อย่างตามธรรมชาติของมันมันเป็นการทำงานของจิตแต่นั่งสมาธินี่เราต้องการหยุดการทางานของจิต เราจึงไม่ควรที่จะไปควบคุมบังคับลงใอ้หยุดหายใจถ้าเราใช้พุโทโธเวลามันคิดเราก็พยายามคิดอยู่กับพุโทโธใหเ้เราอาจจะบริกรรมให้ถี่ขึ้นหน่อยก็ได้แต่ให้เกาะติดอยู่กับคําบริกรรมไปเรื่อยๆอย่อยาไปสนใจกับความคิดตอนตอนใหม่ๆนี้เรายังห้ามความคิดไม่ให้เกิดไม่ได้เองแต่ว่าเราอย่าไปตามความคิดเท่านั้นเองให้อยู่กับพุโทโธไป คุณตัทธตาครับ <c oughs> โพสตใส่ร้ายคนอื่นในโซเชียลคนโพสต์ถือว่าทําผิดทางกายวาจาหรือใจครับเอทางวาจาเป็นพูดใส่ร้า ย, ายพูดโกหกแต่ก็ต้องทําด้วยใจด้วยใจเป็นผู้สั่งให้ทํำทีแต่ ถ, ถือว่าผิดผิดศีลคือมุสาวาธาการพูดคดําปดคําพูดความไม่จริงใส่ร้ายพูด คุณเที่ยวไปเลยถามบอกว่าตอนโยมบิดาพระอาจาย์เสียมีความทุกข์ในใจตอนนั้นบ้างไหมครับเออเราก็มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเป็นบิดาบรรดาก็รู้ยุ่ยแล้วว่าเขาต้องตายมันต้องนานนะเนาะเพีนแต่รอเวลาที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองครับคุณปุ้ยครับตอนนี้เข้าใจแล้วว่าสมาธิหมดกําลังเป็นอย่างไรคิดว่าฝึกมานานน่าจะช่วยเราได้ แต่พอช่วงนี้ไม่ได้นั่งตามอารมณ์ได้ช้าลงมีความคิดผุดขึ้นบ่อยการมีสติตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับอะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสุดวิสัยถ้าฝึกไปเรื่อยๆก็จะได้ถ้าได้ก็จะได้สมาธิได้บรรลุธรรมอย่างแน่ น, นอน <c oughs> คุณหมีครับหากทําทานแล้วไม่ได้อุทิศบุญให้ใครเลยจะมีดวงวิญญาณที่มาขอส่วนบุญจะได้บุญนี้หรือไม่ครับไม่ได้หรอกเพราะเรายังไม่ได้ เรายังไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นของเขาไปเพราะฉะนั้นเราทําบุญแล้วถ้าเราอยากจะให้ดวงวิ ญ, ญญาณมารับแล้วก็โ อ, อทิตไปแบบกว้างๆก็ได้ขอที่ส่วนบุญอันนี้ให้กับดวงวิ ญ, ญญาณดวงใดดวงหนึ่งที่พัถนาที่อยากจะต้องการนี้ก็ขอมารับไปได้เขาถึงยังมารับไปได้มีคุณศสรีวิดบอกว่าเคยดูทีวีหลวงตาเมื่อสิบเจ็ดปีก่อนเนี่ยหลวงตามาเยี่ยมพระอาจารย์ด้วยนะครับกับพระที่อยู่ราชบุรี ท่านอีกองคหนึ่งครับอื17ปีครับภาพเดียวเลยครับ17ปีครับเพราะปฏิปทาพระอาจารย์เหมือนกันเน้นธรรมะไม่เน้นก่อสร้างครับอืสร้างคนในก่อสร้างวัตถุอย่างหลวงตาท่านก็เคยตอบในหลวงไปในหลวงราชการที่9อยากขอถวายสร้างพระอุโบสถให้หนึ่งหลังในวัดหลวงตาท่านก็บอกว่าท่านไม่ปราถนาไม่มีความ ปารถนาที่จะสร้างโบสถมีความปารถนาอยากจะสร้างพระมากกว่าสร่งพระอริยระเพราโบสถ์นี้ไม่สามารถทําให้มีพระอริยะเกิดขึ้นได้ต้องมีการสั่งสอนมีการปฏิบัติและถ้าเวลาสร้างโบสถนี้มันก็จะต้องมีเสียงกระทุกคมมาทําลายความสงบในวัดก็เลยไม่เอาดีกว่าวัดประมันตามไม่มีโบสถไม่แค่ศาลาอันเดิมนะั่นแหละ ตอนที่ท่านตายท่านก็สั่งไว้แล้ไม่ให้สร้างเจดีย์แต่ลูกศิษย์ก็ยังคิดว่าท่านพูดเด่นแางกันเลยอนะ่ะเจดีใหญ่เลยครับอาจารย์ใหญ่มโหฬารเลย ค, คุณสราบุตรครับการสอนตัวเองปฏิบัติตัวเองดีกว่าที่จะไปสอนคนอื่นใช่ไหมครับเรา้องการให้เรสอนเราให้บรรลุ ก, ก่อน อนนี้เรายังเป็นนักเรียนอยู่นักเรียนไม่ไปสอนคนอื่นแบบต้องเรียนให้จบก่อนเราถึงจะเป็นอาจารย์ได้ครับคุณเอกชัยครับสีนห้ากับกุศลกรรมมาบทสิทอันไหนอันไหน ส, สูงกว่ากันครับมันก็อันเดียวกันแหละเพียงแต่ละเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองสีนกุศลกรรมก็มีไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดป่นเพียงแต่กุศลกรรมมาบทนี้มี ถ้าไม่ให้พูดเพระเจ้าพูดทำหยาบแล้วก็พูดสาเสียด้วยอะไรนี้กุศลกรรมก็ถือว่าละเอียดกว่าสีนห้าคุณวิภาวันครับเราควรพิจารณาอย่างไรถึงจะทำให้เราครองอิทธิบาทสี่อย่างเข้มแข็งมั่นคงได้ครับกรณีที่จะเพิ่มความก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับมันจะมีอิทธิบาทสีได้นี่เราต้องมีสิ่งที่มากระตุ้น ศรัทธาของเราให้เกิดในการที่จะกะ็ตุ้นศรัทธาก็มีอยู่สองวิธีวิธีหนึ่งก็ศึกษาจากพระอริยบุคคลถ้าเรามีไปอยู่กับครูบาจารย์ที่เป็นพระอริยบุคคลได้ธรรมะของท่านจะมีมีพลังมากบังแต่ละครั้งเราจะเกิดศรัทธาเกิดฉันทาวิริยขึ้นมาและวิธีที่สองที่จะทําให้เราเกิดฉันทาวิริยขึ้นมาก็คือหลังจากที่เราได้นำเอาไปปฏิบัติแล้วได้รับผลขึ้นมาอันนั้นก็จะเป็น อีกอย่างหนึ่งอวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีจันทาวิริยะขึ้นมาต้องศึกษาและต้องปฏิบัติคุณสิริวิทย์ครับบอกว่าดูช่วงตอบปัญหาธรรมะตอนบ่ายวันนี้มีโยมถามพระอาจารย์เรื่องการหาเงินไปดูเจริญสติไปด้วยพระอาจารย์ตอบว่าไปด้วยกันไม่ได้ต้องเลือกจะเอาสติหรือสตางแสดงว่าคคยคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วใช่ไหมครับถึงตัดข้าวของเงินทองได้ครับ ก็มีปัญญาหรืางรู้ว่าสตินี่มันมีคุณค่ายิกก่งกว่าสตางสตางก็อย่างมากก็ช่วยบรรเทาความผิวโหล่ของร่างกายได้ดูแลร่างกายได้แต่สตางนี้ดูแลจิตใจไม่ได้ดับความทุกข์ใจไม่ได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ใจได้ก็คือสตินี่คุณอัมพรครับ หลังจากนั่งสมาธิแล้วเราอุทิศบุญให้กับบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรได้หรือไม่และเขาเหล่านั้นได้บุญหรือไม่ครับอันนี้ก็ไม่รู้เนเราะว่าไม่มีไม่มีคาสอนที่สอนให้อุทิตบุญให้เจ้ากรรมนายเวรหลังจากที่เราทำทาสมาธิเสร็จแล้วคุณพักครับการปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านจะบรรลุสดาบันไดไหมครับ ปฏิบัติไหนก็บรรลุดได้ถ้าเรามีสติปัญญาสมาธิพอที่จะลาสังโยชน์ได้เราก็บรรลุทำได้บรรลุมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ธรรมที่เราเอามาใช้ในการทําให้จิตใจบรรลุนี่ว่าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาหรือไม่คุณทิยาพรครับสวดมนต์อิติปิโสในใจตลอดเวลาขับรถเหมือนเรานั่งสมาธิไหมครับหรือต้องพุดโธครับ ความจริงไม่ควรจะสวดเวล า, าขับรถควรจะมีสติอยู่การขับรถจะดีกว่าเอาแต่ละมแจะไปสวดเดี๋ยวเพลอรถกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเกิดอะไรเหตุการณ์กระทันหันเราจะแก้ไขไม่ทัน ช, ช่วงทีเห็นถ้าเราทำอะไรอยู่อย่าไปสวดมลคุณตั๊ะครับจากคุณเด็กชายดีซอายุสิบขวบจะทำอย่างไรผมจะพบความสุขที่แท้จริงได้ครับ S <S วันนี้เราพยายามฝึกสติไปมากมากบ่อยๆแล้วก็พะยายามนั่งสมาธิไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงถ้าเข้าอัปปนาภายในห้า น, นาทีไม่ได้สาหรับคนทั่วไปคว น, นั่งนานๆเพื่อให้ได้อัปปนาใช่ไหมครับก็อย่างนั้นแหละถ้ามันยังไม่ได้ก็ต้องนั่งต่อไปมันจะได้ไม่ได้อยู่ที่นั่งแล้วมีสติเพิ่มขึ้นมาตามลาดับหรือเปล่าถ้านั่งมีสติมากขึ้นมากขึ้น มันก็มีโอกาสจะเข้าอ ป, ปนาสมาธิได้ได้มากขึ้นถ้านั่งไปนานแล้วสติก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนั่งไปจนวันตายเหมือนมันก็เข้าไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่เวลาอย่างเดียวอยู่ที่ว่าคุณสมบัติคุณภาพของสติเรามีเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับกลับเรียนพระอาจารย์ครับตอนนี้เพื่อนๆไม่ถามแล้วครับไ <c oughs> ม่สนัาถามเพิ่มครับท่านนั่นเครับผม ไม่ไม่มีของเก่าเลยอ๋อมีครับอาจารย์ครับเก็บไว้เต็มเลยครับเอามาถามก็ได้แค่สินาทีอะไรไม่น่าจะมีนะครับเอาเอามาถามนะครับราอาจารย์ตามได้ไม่เป็นไรครับครับผม <c oughs> ยะอ่าไม่ใช่หรอกนี่ตอนเนี้ยอาจารย์ตัด น, นะครับเขามีคุณจันทร์จัด จันจจ้าเคยถามไว้นะครับอาจารย์บอกว่าจิตสุดท้ายเป็นสิ่งสําคัญแล้วคนที่ตายแบบอุบัติเหตุคาที่จิตสุดท้ายเขาจะเป็นอย่างไรและเขาจะมีโอกาสได้ทําจิตสุดท้ายให้ดีได้อย่างไรครับเอออันนี้เป็นความเข้าใจผิดจิตสุดท้ายไม่ใช่เป็นตัวสําคัญตัวสําคัญก็คือบุญและบาปที่เราได้ทําไว้อย่างไรนมันมีมากกว่ากันนะถ้าบุญเรามีมากกว่าบาปจิตสุดท้ายมันก็จะมีบุญพาไปสวรรค์ ดานจิตถ้าเราทำบาปมากกว่าบุญจิตสุดท้ายก็จะมีบาปพาไปเธอนี้มันไม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้ายอยู่ที่บุญหรือบาปเราจะมาเปลี่ยนบุญหรือบาปในช่วงก็ทาจิตสุดท้ายนั่นทาไม่ได้หรอกอย่าทําให้บาปน้อยกว่า บ, บุญมันไม่ใช่อยู่ดีๆกันขึ้นมาแล้วมันจะบาปมันจะน้อยลงไปบุญจะมากขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องทําทําบุญให้มากบุญมันถึงจะมากกว่าบาป คำถามวันนี้มาเริ่มงมาอีกครับอาจารย์คุณศิริวิทย์ครับมหาเศรษฐีที่แท้จริงก็คือการพอที่ใจใช่ไหมครับก็คือการไม่มีความอยากอะไรนั่นเองถ้ายังอยากอยู่ก็แสดงว่ายังยังหิวอยู่ยังเป็นขอทานอยู่ยังอยากได้รุ่นอยากได้นี่อ ย, นนอยากมีนั่นอยากมีนี่ก็ยังไม่ใช่เป็นเศรษฐีที่แท้จริงเศรษฐีที่แท้จริงก็คือว่าไม่ต้องการอะไรแล้วเรามีเยอะแยะไปหมดแล้วมีพอเพียงมีพอเหลือเฟือ <c oughs> คุณน้องครับกับเรียนการให้เช่าที่พักรับเพียงหญิงราคาถูกเพื่อช่วยมีที่พักราคาถูกเป็นการช่วยเหลือได้บุญทานบา ร, รมีกับตัวผู้ช่วยเหลือสูงนะอันนี้สูงมากไหมครับ ผ, ผู้เท่ความเท่เหลือนี้ก็จะได้บุญก็หญิงกับว่าราคาที่เราให้กับเขาไปนี้มันต่ำกว่าราคาจริงเท่าไหร่ แต่ว่าร า, ราคาจริงมันต้องตกร้อยบาทแต่เราคิดแค่ห้าสิบาทนี้ก็ถือว่าเราได้ทําบุญห้าสิบบาทไป ค, คุณพันธิพาครับลูกดื้อไม่ไ ด, ไไได้สอนไม่ได้เฉยๆมีคําแนะนํำไหมครับเออมีวิธีสอนให้ลูกไขยดื้อก็คือตัดสันดานเขาก่อนสิตามใจเขาตลอดเวลาแล้วสอนไม่ได้ก็ส่งไปโรงเรียนตัดสันดานก็ได้ โรงเรียนกินนอนต่าง ๆ, ๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อดัดฐานเด็กสองวันที่โรงเ<า>รียนผู้รู้ก็ได้อาจจะเป็นเด็กดีครับแต่ขแคนโรงเรียนผู้รู้นี่จะเป็นมีมารยาทดีเจอผู้หลักเจอใครจะยกมือไหว้จะมีความเรียบร้อยจะมีความประทันยู่รู้คุณสี่สิบห้าหรือสี่สิบแปดคับพระอาจารย์เด็กที่เรียนนี้ต้องสี่สบห้า ใช่ไหมครับอาจารย์เออไม่หรอกไม่ได้บังคับรู้สึกยังคงยังอย่างน้อยต้องมีสิ้น้าเนี่ยคือไม่ให้ทําบาปแต่คงไม่ใช่ถือสิ้นแปดแต่เวลาปิดเทอมนี่เขาจะให้บวชเน้นสิบห้าวันปีนี้เขาก็จะให้บวชบวชต้นเดือนมีนาคม ใ, ให้มาฝึกอยู่แบบนักบวชนั่งก็ช่วงที่เวลาเรียนก็มีภาพไปสอนทุกวันภาพน้สอนสอนเรื่องธรรมะต่างๆ <c oughs> แล้วพอปิดเทอมก็ให้มา ปฏิบัติตอนจากปะรยาสมาปฏิบัติทักงสิบห้าวันมาอดข้าวเย็นมามาบินธบารมาไหว้พระสวดมนต์มาปฏิบัติทำกันครับคุณเฟื่องถามว่าจิตเวทต้องรักษาอย่างไงครับอาจารย์ต้องรักษาด้วยสติแต่อยู่ที่คนป่วยเขาสามารถที่จะทําสติให้เกิดขึ้นมาได้หรือไม่นั่นเองถ้าเขาทำสติได้เขาก็หาย มันเป็นโรถ้าเป็นโรงจิตในส่วนใหญ่มันเกิดจากการไม่มีสติเทองนั้นแหละมันมนเกิดจากอะไรครับคุณมีลมหายใจเป็นเพื่อนครับอยู่กับคนที่ชอบนินทาคนอื่นตลอดวางใจอย่างไรครับก็รู้ว่าเป็นธรรมดาในโลกนี้มีคนที่ชอบนินทาก็มีชอบสรรเสริญก็มีเราไปห้ามก็ไม่ได้เป็นอนุตตาปล่อยวางปล่อยเขานินทาไป พี่สมพรบอกว่าอา่านใสการหมพาพ่มผ้าพระบ ร, รมธาตุมีอ่านใ้ส่งอย่างไรไหมครับไม่มีเลยเพราะว่ า, าท่านก็ไม่รู้ว่าท่านห่มผ้าหรือไม่หม่มผ้ามันเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมเท่านั้นเองว่าเราต้องห่มผ้าให้พระพุทธรูปดูสวยงามไม่ให้ร่อนจอนเลยครับคุณไตพบครับหากทํางานแล้วต้องใช้สมองใช้ความตั้งใจใช้ความคิด หากไปภาวนาพุโทโธการทํางานก็จะรู้สึกลอยๆไปเราจะใช้สติกําหนดอยู่ที่งานอย่างเดียวจะมีผลเกี่ยวกับสติเหมือนกับภาวนาพุโทโธไหมครับเ อ, อ๋อไม่เหมือนหรอเพราะเวลาที่เราทํางานเราต้องใช้ความคิดควบคู่ไปกับการที่เรากําหนดดูงานที่เราทําอยู่นั้นมันจะทําให้ใจไม่ว่างไม่นิ่งและมันอาจจะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้ แต่ถ้าเราอยากต้องการทําให้จิตมีสักความสงบไม่ไม่คิดอะไรก็ต้องทําแบบที่ไม่ทํางานช่วงที่เราอยู่คนเดียวไม่ไม่วันที่เราไม่ไปทํางานไม่ต้องคิดเรื่องราวต่างๆอันนั้นแหละเป็นวิธีการที่เราจะต้องการทําสติให้เป็นสติที่ที่จะสงบทําใจให้สงบได้คุณบีพีครับ เราจะพิจารณาความหิวหรือห้ามความหิวอย่างไรในช่วงเวลาที่เราผ่อนอาหารครับเออถ้าหิวก็ลองใช้คําบาลีคำพุทโธพุทโธไปอย่าไปให้คิดถึงความหิวหรือว่าถ้าเราควบคุมความคิดได้ก็ให้มันคิดไปในทางที่จะทําทให้ไม่หิวคิดถึงเขาเรียกว่าคิดถึงปฏิกูลของอาหารอาหารนี่มันไม่ได้กินตลอดเวลาหรอกมันได้กินตอนที่มันอยู่ในจานเท่นั้นเอง แต่พอมันเข้าไปในปากเราเควมันผสมกันบน้ำลายมันแล้วนี่ลองคายมันออกมาดูสิแล้วมันอยากจะกินนะให้เราคิดถึงสภาพที่เปลี่ยนไปเวลาที่มันเข้าไปในร่างกายที่เราเรียกว่าอาหารใหม่อาหารเก่าเลยแล้วเวลาถ่ายออกมามันก็เป็นอาหารเก่าหให้หนึงถึงภาพของอาหารเหล่านั้นบ้างแล้วมันก็จะทำให้ความหิวนี่หายไปเลยกินไม่ลงไม่ทาไป คุณสัชิครับถ้าหนูทาบุญและหนูบอกให้พ่อแม่ญาติญาติสาธุด้วยคนอื่นๆเขาก็บอกสาธุและเขาจะได้บุญด้วยกันไหมครับเราก็ได้บุญจากการสาธุนั่นเองเขาจะไม่ได้บุญจากการทาบุญตทำทานของเราคืออย่างน้อยเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม่มาขัดขวางเราไม่มาทําให้เราเขวว่าทําไม่ทําไมทําแล้วไม่ได้อะไรหลงไปเปล่าๆถ้าอย่างนี้เขาก็ไม่อู้โมทนาเขาไม่สาธุ แล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเฮ้ยเราไม่ไม่ไม่ไม่มั่นใจเราสิว่าทําดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเราทำแล้วก็พอกว่าเราไปทำบุญมาเขาสาธุษาทุษแสดงว่าเขาแสดงความยินดีกับการทําบุญของเราอันนี้ก็เป็นการให้กาลังใจกับเราทั้นเองคุณเลมอนครับการวางเฉยคือการไม่สนใจอะไรหรือเปล่าครับไม่สนใจทุกอย่างเพียงแต่ว่าไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เราไปสนใจรับรู้ท่านเอ สนใจว่าใครเขาพูดอะไรฟังฟังอย่างฟังว่าเขาพัางเขาด่าเราก็วางเฉยได้ไม่ไม่ใช่ไม่สนใจเขาชมเราก็วางเฉยได้แต่เราเรารับรู้ตลอดเวลาว่าเขาพูดอะไรครับคุณพี่ไรรักบอกว่าห่วงลูกสาวมากกําลังวัยรุ่นทําอย่างไรดีครับก็สอนยอเสริสอนยอแล้วก็พยายามฝึกให้เขา รู้ผิดลู้ถูกรูดีลู้เชื่อแต่ถ้าอสอนแล้วฝึกเขแล้วเขาไม่เอามันก็เป็นสิ่งที่เราช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วเราก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาเราเลยทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วพ่อแม่มีหน้าที่สั่งสอนอบรมลูกเมื่อถังสอนอบรมแล้วลูกไม่ทำตามอันนี้พ่อแม่ก็อยากไปเสียใจเบิกบุญบารมีมาใช้ชาตินี้ได้จริงไหมครับแล้วเบิกบุญบารมีมาใช้ยังไงได้บ้างครับ ออเบิงไม่ได้หล่ะบุญบารมีมันจะส่งผลให้ส่วนใหญ่มันจะส่งผลตอนที่เราตายไปแล้วแต่เพราะตอนที่เราตายไปเราทําบุญไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เราก็เลยต้องอาศัยบุญเก่าที่เรามีสะสมไว้ในใจนี้เป็นตัวเอามาใช้ส่งเราไปสวรรค์นี่คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับการนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธกับกําหนดยุบหนอพองหนอ่อต่างกันอย่างไรครับ ไม่ตาหรือก็ เ, เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่จะทําจิตให้สงบได้คือคอยควบคุมความคิ ด, ด่ให้คิดไปถึ ง, งเรื่องราวต่างๆถ้าเราครูบาอาจารย์สอนให้ยุบหนอคลองหนอ่อเราก็ทำตามท่านไปท่านสอนให้ดูลมหายใจแล้วก็ทำตามไปแล้วแต่เราจะเป็นได้ครูบาอาจารย์แบบไหนเราถูกจริตกับเราหรือไม่ถ้าไม่ถูกเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอาจารย์อาจารย์ที่สอนในวิธีที่ถูกจริตกับเราหมืเวลาเราใช่ไหมคุณหนอ ครับผมอาจารยอเวลาแล้วครับอาจารย์ครับ <Okay. S 1> ขอโอากาสครับผมวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ใน f ฟ c e b o o หนึ่งพันสิบสองคนครับใน y o u ู u ห e ร้อยเก้าสิบเอ็ดคนใน c l u b h ฮ u s ์เก้าคนครับรวมมีคนมาฟังธรรมด้วยกันวันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสองคนครับอาจารย์ครับก็มากพอสมควรนะก็ข อ, ขอชื่นชมยินดีในความฝ่ายบุญฝ่ายกุศลในฝ่ายธรรมของท่านหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย เพื่อที่จะได้นําอาไปใช้ในการปฏิบัติให้คืบหน้าก้าวหน้าต่อไปการสนทนาธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิธธจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่า น, านี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยใได้啊 อาทิตหน้าขอจเจริญพรกลาวขอบคุณพระอาจารย์ครับอาจารย์รัศมธาตุขันธ์นด้วยครับ